จริงคนเรานี่เราสามารถหมอของเราเองได้ถ้าเราสนใจศึกษา ห, อหมอก็เป็นเหมือนคนเราเนี่นยเป็นแต่หมอเขาก็ศึกษาเรียนมาดูอาการต่างๆของโรคผ่านไข้เจ็บศึกษาว่ามันมีเหตุมีอะไรเป็นเหตุที่ทําให้มันเป็นอย่นี้แล้วก็ศึกษาวิธีที่จะรักษาหนึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นหมอของตัวเราได้ เป็นส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกต ด, ดูตัวเราเองดูพฤติกรรมของเราเองเพราะความเจ็บปวดความเจ็บขไข้ได้ปล่ได้ปวส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากพฤติกรรมของเราการกินการอยู่การกระทําอะไรต่างๆเนี้ยมันมันมันถูกสุขลักษณะหรือเปล่าถ้าเรากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะกินตามความชอบความอยากความต้องการ บางทีมัน ก, ก็กินอาหารที่เป็นพิษเป็นพาวมากเช่นเช่นน้าตาลนี่เป็นตัวอร่างั้งแต่อาตมาบวชมาสมัยแรกๆตอนบวชใหม่ๆจะฉันน้ําตาลเยอะเพราะฉันเมื่อเดียวแล้วตอนบ่ายมันก็รู้สึกหิวแล้วมากจะฉันพวกโกโก้พวกอะไรนี้แล้วก็ใส่น้ําตาลดมเป็นช้ชอนๆ อ, อย่างใดก็รู้สึกว่าเฉยๆแต่เมือ่อ เมื่อมีอายุมากขึ้นมากขึ้นสังเกต ด, ดูว่ามันเริ่มแผ้น้ำตาลถ้าฉันอะไรยมันหวายแล้วมันจะเกิดอาการน้อนในขึ้นมามันจะมีแผลในปากตอนต้นก็ไม่ทราบว่าแผลในปากนีม่มันเกิดเพราะเหตุใดคนส่วนให ญ, ญ่เวลาเป็นแผลในปากก็จะไปหายามาทานยามาื่อประทานโดยไม่ได้คิดถึงมูลเหตุของการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นอย่างไรต่อมาก็พยายามสังเกต ด, ดูอยู่เรื่อย จะเราลดถึ ง, งนั้นลดถึงนี้ไปตอนนั้นท่านก็มาเห็นที่ตัน้ําตาลว่าตงลดน้ําตาลเลยแต่ลดน้ำตาลลงเพียงสองสามวันมันก็หายไปแต่ถ้าวันไหนเกิดสารน้ําตาลมากขึ้นมากกว่าปกติที่มันสามารถรับได้มันก็จะเป็นเพิ่มเติมื่องกระโดดโลดอ่อนน้าตาลที่มันก็เป็นเป็นเหตุที่ทำให้เราเจ็บข้าวได้เยอะ แล้วเราก็ร่างกายเราก็มีมีสัญญาณบอกเช่นอาการที่เป็นอาการร้อนในที่เจ็บมีแผลในปากก็เลยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วแผลในปากเพราะเราพยายามควบคุมทั้ำตาลแต่อายุมากขึ้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าความต้องการน้ำตาลมันก็ต้องลดน้อยถอยไปเรื่อยๆโดยฉันของอนหวานได้โดยไม่ต้องตัดท่าบุ๋มแล้ว น, นี้ถ้าจะไม่ได้ฉันของหวานอะไรเลย อำนาจที่สำคัญนะ ม, มันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราการออกกาลังกายก็ดีการหลับนอนก็ดีมันก็บอกเราส่วนไหนถ้าเรานอนไม่พอในร่างกายมันเรื่มแสดอการไม่กรติร่างกายรู้สึกไม่อมีกําลังง่วงเหงาหงนนุดหอะไรหลายอย่ามันก็เป็นส่วนบอกบอกร่งให้เรารู้ว่าเรากําลังไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายเราให้ถูกต้อง ทานออกกำลังกายก็มีปรวโยชนถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนหิวเรื่อยๆ เ, เวลาเราลุกขึ้นมาเดินไปทำอะไรก็จไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่ถ้าเราได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอได้เดินได้อะไรทำอะไรจะมีกำลั ง, งมั่คงเลยถ้าหลับกางวันก็เหมือนกักกนเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราสังเกตดูตัวเราเองแล้วเราจะเราจะรู้ทุกขณะเลยว่าร่างกาของเรานี้หิว เป็นในส่วนไหนแล้วเวลามันเกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่มันก็สังเกตุได้ว่าเช่นเวลาถ่ายท้องนี่มันก็มีหลายสาเหตุของเราส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเพราะว่าเวลาสันนมถ้าขันลมทุกวันนี่มันไม่เก่งร่างการมันเหมือนก็มันมีเชื้อที่จะทําลายไอตัวที่จะทำให้มันไม่ย่อยแต่ถ้าวันไหนหยุดไปทักวันมันร้องกลับมากินใหม่น่มันจะถาย รักษาเป็นไงก็สังเกตดูอากนะารของลูกเลยตลอดเวลาก็ก็ต้องใจบวชมานี้ก็ไม่เคยที่จะต้องไปเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวจากโรคทางการเจ็อะไรสมัยที่อยู่วัดสาวร่างตายก็เคยเป็นปัญหาเรื่องเป็นเป็นไข้ทรานเฟนิกซ์ก็ไม่รู้ว่าต้องแปว่าเราอยู่ในที่ที่มันชื้นมากอยู่ในป่า แล้มันมีต้นไม้คุมร่างที่เราพักอยู่แล้วเวลาเราร่างการมันก็มีปูนต้านทานต่ำมันก็เลยทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาไปหาหมอให้หมอฉีดยาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่พอย้ายมาอยู่ที่กุติที่โลงๆที่ไม่มีต้นไม้คุมอยู่คืนสองคืนมันก็มันก็บีบตัวคปูนขึ้นมาแนละ้วมันก็มันก็แสดงว่าอากาศชื้นมันก็ มันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุที่ทําให้เราเจ็บไายได้เติดมาเหมือนกันเพฉนั้นถ้าเราสังเกต ด, ดูเวลาเราไม่สบายเราเราเราสังเกต ด, ดูว่าเราไปทําราชผิด ป, ปกติมาไปรับประทานอาหารอะไรมาหรือเปาหรือไปรับเชื้ออะไรมาหรือเปล่านี้มันจะมันจะมีเราจะสามารถพอที่จะวิเคราะห์ได้แล้วก็มี ก, มก็มีโรคบางอย่างที่รักษาได้ทันทีเช่นถ้าเป็นโรคติดเชือ้อ จะได้ยาปฏิชีวนะมากินรับประทานแค่สองสามวั น, นก็หายแต่ถ้าเป็นโรงที่มันเกี่ยวกับความชราภาพมันกเน็เป็นเรื่องที่จะต้องอาจจะต้องใช้เวลารักษาเหมือนฟื้นฟูมันอยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่สมัยเราเป็นเป็นสาว ม, มันก็คงจะเป็นไปได้ยากก็ต้องยอมรกกับสภาพของมันที่ว่ามัน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 แต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติโดยที่ร่างกายนี้อยู่ในสภาพไหนแล้วก็ปฏิบัติได้เช่นมันจะเจ็บใกล้ได้ป่วยแล้วก็ยังนอนปฏิบัติได้อยู่คนบางคนบรรลุเป็นผ้าหลังตอนใกล้าตายก็มีซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นพระราชนิดาของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสุโธหน่ะท่านบรรลุเป็นผ้าหลังเจ็ดวันก่อนจะนิปัานพระพุทธเจ้าส่งไปโปรด ก็ส อ, สอนส อ, สอนเรื่องเรื่องขันห้าเรื่องเรื่องการปล่อยวางทำไม่ใช่ตัวไม่ใือตนเรื่องของจิตที่ไปหนุงไปยึดไปกิดกับขันห้านี้เป็นต้นือพิจารณาแล้วปล่อยวางใจก็หลุดพ้นจิตกับร่างกายมนะันเป็นคนละส่วนกันจิตถ้ามันอยู่ในขั้นที่ เป็นจิตที่มันสามารถปฏิบัติได้ในอิริยาบถใดๆมันก็ไม่ไม่ไม่สําคัญว่าจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่จะต้องเดินจงกรมั่างั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะจิตถ้ามันก้าวไปถึงขั้นระดับปัญญาที่มันหมิไปเองแล้วมันก็สามารถปฏิบัติได้ในทุกอิริยาบทอยู่ในอิริยาบทใดมันก็พิจาาได้เพราะช่วงนั้นมันจะ มันจะพิจารณาเพื่อตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆผลของอุปทานมันก็คือความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจความทุกข์ใจแต่เามีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจก็พิจารณาหาสาเหตุว่าเราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะความเจ็บไขยได้สวยหรือเพราะเรากลัวว่ามันจะจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่ากลัวว่ามันจะไม่หายหรือเปล่าอย่างนี้มันก็จะทําให้จิตใจเรามีความ ความทุกข์มีความหุ่นวายใจเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดทำงานมันไม่สามารถทำงานไปตลอดได้แล้วมันจะหยุดเวลาไหนก็ไม่มีใครไปกำหนดบั ง, บงคับมันได้มันซึ่งอยู่กับเหตุกับปัจจัยถ้าเกิดไปโดนโดนพิษโดนเชื้อโรคบางชนิดที่ไม่มียารักษา มันก็ไม่มีทางที่จะหายได้มันก็มีแต่จะรองันตายอย่างเดียวแต่ถ้าใจิตใจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ใจิตใจก็เป็นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์กัอความเป็นความความตายของร่างกายนี่เป็นปัญญาที่วิเศษเรียายารักษาาจ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 ขาดอาหารเรารับประทานอาหารให้มันพร้อมรบริบูรณ์โลกโลกของการกขานอาหารนีนก็หายไปได้หรือเราไม่สบายเพราะเราขาดการหลับนอนพักผ่อนหลับพักผ่อนหลับนอนไม่พอเพียงเราก็นอนให้เยอะๆหน่อักให้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวร่างกายมันก็ฟื้นกลับตามสภาพเดิมของมันได้แต่เนื่องจิตใจนี้ถ้าไม่มีธรรมะแล้วพอร่างกายเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยนี้เกิดความยุม่นวายใจขึ้นมา กันวุ่นไปหมดหาหมอหาอยู่หายากันโดยที่ไม่หายาที่มารักษาตัวที่กาลังวิ่นมายอยู่นั่นโดยที้สําคัญกว่าคือ ใ, ใจของเราเพราะความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเมืเ่อเสียบเทียบกับความทุกข์ของทางจิตใจแล้วมันมันห่างกันมากถ้าร้อยหนึ่งนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่จะเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจความทุกข์ของทางร่างกายนี้เพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ด้งคนที่สามารถรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เจ็บไข้ไม่ให้ปั่นป่วนไม่ให้วุ่นวายได้แล้วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดทางร่างกายนี้มันเจ็บเพียงแค่สิบเปอร์เซนท่านเมันไม่ได้เจ็บร้อเอร์เซ็นเหมือนพวกเราที่ไม่ได้ดูแลรักษาจิตใจเวลาเป็นอะไรนี่เราจะเจ็บเราจะวุ่นวายทางด้านจิตใจมากกว่าที่จะเจ็บที่รา่างกาย ดังนั้นการที่เราเราปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เป็นการดูแลรักษาจิตใจนั่นเองหรือการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นการสร้างธรรมโอสถเอายาธรรมนี้มารักษาใจของเราทำให้จังของเรานั้นไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายต่อ ก, การเกินไปต่างๆของร่างกายของเร า, เราและของสิ่งอื่นๆต่างๆที่เราไปมีความเกี่ยวข้องด้วย เวลาเราไปเกี่ยวข้องกับใครกับอะไรที่ไหนถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วจิตใจเราจะต้องปานป่วนจะต้องวุ่นวายกัสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเพราเราจะมีความหลงยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นติดอยู่กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเรามีความรักแล้วก็อยากจะให้เขาดีให้เขา สุขให้เขาสบายให้เขาอยู่ปไปนานๆคนที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้เขาท้อมึเขาเข า, เขาตายไปด้วยเขาเร็วลงใเขาลำบากลาบนก็สุดท้ายแต่ะที่ใจเราจะคิดแต่การเป็นไปแหงเขานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราเขาจะสุขจะดีหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราเขาจะเร็ว ลงไปหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ที่พายของเรามันอยู่ที่การกระทำของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ธรรมชาติส่วนหนึ่งธรรมชาติของคนเราทุกคนนั้นมันมีแต่จะเสื่อมลงไปเมื่อมันเมื่อเมื่อมันพ้นวัยแห่งการเจริญแล้วพวลาเวลาเกิดมามันก็ในเบื้องต้นก็จะมีการเจริญมากกว่าการเสื่อมแต่เมื่อมันถึงจุดที่เจรินเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไป การการเจริญก็จะน้อยลงความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ก, กับสิ่งของต่างๆครับเช่นร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะเราจะทุกข์เราจะวุ่นวายเสมอเพราะเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะให้เขาอยู่กันงานอยากจะให้เข า, เขาไม่เจ็บข้าวได้ตัว อย่างไม่ให้เขาจากเราไปแต่มันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นไปตามการอย่างของเรามีเป็นเรื่องของธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พฤติกรรมของเขาถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังใช้ชีวิตแบบแบบทําลายตัวเองดืนเหล้าเรายาเที่ยวเตะขับรถเร็วอย่างนี้โอกาสที่เขาจะสูญเสียชีวิตของเขาไป เร็วกว่าปกติก็ยอ่อมมีเราอยากจะให้เข า, าแก้พฤติกรรมของเขาเขาก็ไม่แก้เราก็มาทุกข์กับเขามาทุกข์กับว่ามาห่วงเขาแล้วก็ต้องมากินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับเขา ท, ทั้งที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปไปวุ่นวายกับเขาเลยเพราะวุ่นวายอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายได้เพราะมันเป็นเรื่องของเขาเป็นชีวิตของเขา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 ใจของเราเราก็เลยแทนที่จะแก้รักษาใจของเราให้สงบให้เยนให้สบายเรากลับไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจของเรามากยิ่งขึ้นไปเพราะเราไม่เคยเข้าหาธรรมะนั่นเองถ้าเราเข้าหาธรรมะแล้วธรรมะจะสอนให้เราย้อนกลับเข้ามาดึงที่ใจของเราให้เรากลมากําหนดดูทําใจของเราให้สงบให้รู้ว่าความสุด ข, ของใจนั้นเป็นอย่างไร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 เราจะมีความสุข ก, ก็สุขแบบเ ล, เล็กๆน้อยๆเวลาที่สิ่งภายนอกหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามความพัถนาตามความเพราะตามความต้องการของเราเราก็มีความสุขแต่มันก็เชื่อไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็มีความกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแต่ความกังวลความยึดวายมากกว่าความ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 เหมือนกับว่ารญาติขาดขนิดร้ายที่เพิ่งไม่มีความหวังไม่มีอะไรอยู่ในจิตในใจของตรงนี้เลยแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเราจะมีมีสารณะมีที่เพิ่งมีที่นิดเหนียวจิตใจเรารู้เวลามีอะไรเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปหาข้ามได้แต่สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็คือความทุกข์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 เขาได้ดได้ดีมันก็เป็นบุญของเขาเขาตกทุกข์ได้ยากมันก็เป็นกรรมของเขาเราพอจะช่วยได้บ้างก็ช่วยเหลือกันไปแต่ ก, ก็ช่วย้ากเยงแต่ประทับประครองกันเช่นเวลาเขาล้มลงไปเราก็ช่วยเขาให้ลุกขึ้นมายืนได้เวลาเขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีไม่มีปัะกัรเงินทองไว้ดูแลเรื่องอาหารการกินเราก็พอที่จะสงเคราะห์กันได้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 มันก็จะเป็นภาระหนักขึ้นไปห้ายเท่าด้วยกันดัง น, นั้นจึงเป็นใจไม่ได้ที่จะมีคนอื่นจะมาคอยดูแ ล, แลเราตลอดไ์ยกเว้นว่าเราเป็นคนที่มีบุญวา ส, า น, สนามากเกินําบุญมามากแล้วมีคนเขายืนดีที่จะดูแลเราเช่นครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้มีลูกสิษลูกหายเยอะพร้อมที่จะเลี้ยงดูท่านอยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของท่านก็ว่าได้ แต่ท่านก็ไม่ได้หวังอะไรจากการเลี้งดีของคนอื่งเพราะท่านสามารถดูแลตัวของท่านเองได้หรือท่านดูแลส่วนสำคัญของท่านก็คือจิตใจถ้าร่างการมันไม่คร้อมที่มันไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้ท่านก็ไม่ดันทุลังไม่ยืไม่ดินนะิ่งปล่อยมันไปดีกว่าไปแบกมันทาไมที่อยู่ทั้งวันก็ไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านเองอยู่ก็อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อปกงิสั่งสอน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 แล้ถ้ายึดก็เท่ากับไปเอากองทุกเอาความทุกข์เข้ามาสั่นใจนั่นเองดังนั้นถึงแม้จะมีอะไรมากน้อยเพียงไรจะรู้จักใครมากน้อยเพียงไรก็เพียงแต่สัต์แต่ก็รู้แต่เขาจะมาเขาจะไปอย่างไรนั้นมันก็เป็นกรรมของสัตว์ไปมองไปในลักษณะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่เพียเป็นที่อาศัย ทํากรรมดีหรกรรมชั่วก็ต้องเป็นผู้รับถึงคกรรมนั้นนี่เป็เรื่องของของจิตใจที่ได้รับการปฏิบัติได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาจนเห็นสภาพต่างๆเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตใจว่าควรจะเป็นอยู่ในลักษณะใดแล้วก็สามารถทำให้เป็นอยู่ในลักษณะนั้นได้ ก็คือไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ต, ต, ต, ต่อไปติดใจก็ไม่มีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นนี่เพื่อเป็นเป็น เ, นเนผลที่ที่ได้รับจากการที่เรายึดพระิพัฒธรรมพระสงค์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเอาพระพิพัฒนธรรมพระสงค์นี้มาเป็นผู้ที่ช่วยเราให้เราได้สร้าง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 หลงยึดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆภายนอกยังหวังความสุขจากเดินต่างๆภายนอกอยู่ถ้าเราไม่หวังฝันนี้เราก็คงจะออกเดือดกันหมดแล้ว เ, เราคงจะตัดได้หมดแล้วแต่ที่เรายังไม่ได้เดือดกันก็เพราะว่าเรายังยึดยังติดอยู่กับสิ่งต่างๆชีวิตของเราที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยเราก็ยังยึดติดอยู่กับชีวิตแบบนั้นอยู่ มีบ้านอยู่มีบ้านแล้วก็ยึดติดกับบ้านมีอาหารมีการกินอย่างไรแล้วก็ยังยึดติดอยู่กับอาหารการกินอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเวลาเราออกบวชนี่เราจะไม่สามารถเลือกอาหารเลือกบ้านที่เราเคยมีได้ยังต้องอยู่กันบาตามมีการเกิดคือเราจะไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นเราเพียงแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสนับสนุน ในการประพฤติปฏิบัติสร้างสาธาะภายในให้เกิดขึ้นเราเพียงแต่อาศาัยปัจจัยสี่เช่นที่ อ, อาศาัยยารักษาโรคเครื่องหมอาหารมาเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายเพื่อให้เราได้มาปฏิบัติธรรมมานั่งฟังเทศน์ความธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อตัดความหลงตัดความยึดมั่นถือมั่นในส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 ถ้าร่างกายจะตายไปในขณะที่จิตสงบจิตก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าจิตเม่อยู่ในความสงบจิตนาเกาะจิตอยู่กับร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเวลาร่างกายเป็นอะไรไปจิตใจจะมีความระส่ำระสายมีความว้าวุ่นฝุ่นมัวมีความทุกข์เป็นย่ามากแต่ถ้าในขณะใดเวลาใดถ้าเกิดมีปัญญา ขึ้นมาแล้วโปรงได้ในขณะนั้นจิตจะเย็นลงทันทีจิตจะสงนตัวลงจะนิ่งแล้วร่างกายจะเป็นอะไรมันก็มันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่แต่สิ่งที่เปลีย่ยนแปลงไปนั้นก็คือจิตใจจิตใจจากความวุ่นวายสากสมอนอมายหาที่ยึดหาที่เกาะไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับความตายที่กำลังมารออยู่พอ ทำความเข้าใจว่าร่างกายมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องแส่จะต้องแบบในเรื่องปกติยอมรับความจริงนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงไม่ฝืนไม่คิดที่จะไปหาอยู่หายาหาหมออะไรมาแก้มันครับปล่อยให้มันเป็นไปเท่านั้นนหละถ้าปล่อยได้อย่างจริงๆแนละ้วจิตมันะจะเด่นลงสื่อความสงบแล้วมันจะรู้สึกสบายเหมือนกับว่ายกภูกเขาออกจากอก เมื่อกี้มีความอยากจะอยู่มันกลับเป็นทุกข์เท่านั้นถ้าเป็นถ้าตายพอเราตัดความอยากอยู่ได้นี้เท่นั้นเองยามตายเท่นั้นเองจิตมันก็ปล่อยพอปล่อยแล้วทีนี้มันก็สงบมันก็เหมือนกับเวลาเรานั่งนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิตอนต้นมันก็ไม่สงบเพราะจิตมันยังยึดยังติดอยู่กับรื่นเริงจิตร้อนโถพกับเรื่องราวต่างๆ เวลานั่งพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะแวบกลับไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ น, นแสดงว่ามันยังไม่ปล่อยแต่ถ้าเรามีสติควบคุมบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้อย่างต่อเ น, นื่องกระทั่งเราไม่มีโอกาสที่จะแวบไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้มันก็ถือมันก็ต้องปล่อยเชื่อคราวคือไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาแต่ปล่อยด้วยกําลังของของสติของพุทธานุสติการบริกรรมพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่อง มันเป็นอุบายของสมาธิที่จะเดึงจิตมึนใจให้ออกจากลูกเสียงกิ่งรดโขดตถาภะออกจากเรื่องราวต่างๆถ้ามันมีแรงมากพอกว่า แ, แรงที่จะเดึงออกไปแรงที่จะเดึงเข้ามีมากกว่ามันก็จะทำให้จิตสงบจิตก็จะรวมโตลงขณะนั้นมันก็สงบนิ่งเย็นสบายแต่มันจะสงบได้ไม่นานหรือชั่วคราวอาจจะนานบ้างสำหรับบางคนอาจจะไม่นานสำหรับบางคน มันก็จะอยู่ได้สัก เ, เดียวแล้วเดือนมันก็ออกมาพอออกมามันก็ต่างกันกับเวลาที่เข้าไปเวลาเข้าไปเหมือนเราอยู่จากข้างนอกอยู่จากที่ร้อนร้อนเข้าไปในห้องแอร์ที่เย็นเฉียบพอเข้าไปเรารู้สึกว่ามันเย็นสบายพอออกจากห้องแอร์ไปข้างนอกก็จะสัมผัสกับความร้อนที่มาสัมผัสทันทีทังนั้นใดเวลาที่จิตรวมลงไปสมาธิก็เหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในห้องแอร์พอ ออกากห้องแอรก็เหมือกับออกมาสัมผัสกับความย้อนที่อยู่ภายนอกแต่เราจะเริ่มเห็นความแตกแต่างเนี่ยชัดเจนแล้วว่าจิตใจของเราดวงเดียวกันนี้แหละแต่มันสามารถพลิกจากร้อนมาเป็นเย็นได้จากเย็นมาเป็นร้อนได้อยู่ที่เราจะควบคุมบังคับให้มันอยู่ส่วนไหนไปนั่เองเมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการที่จะทำให้จิตของเราสงบนั้นก็คือการทําสมาธิ การติดที่เว้การหาที่สงบที่สนัตการหนีจากลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐ ะ, ษษะต่างๆเราก็ต้องมีความบากบันมีความอิสาหะมีความขฉลขวายมีความภาคเทียนที่จ ะ, จะแสวงหาความสุข่างนี้ถ้าเราลองได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวแล้วต่อไปเราจะมีกำลังจิตกำลังใจเรารู้แล้วว่าผลที่เราจะได้รับ จากการที่เราต้องเสียสละนั้นมันคุ้มค่ากันเหมือนกับคนที่เขาซื้อลอตเตอรี่กันเนี่ยเขาไม่เคยถูกแต่เขาก็ยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งมันคุ้มค่าเสียแค่ห้าสิบาทร้อยบาทได้มาเป็นล้านอย่างนี้ทําไมจะไม่คุ้มค่าอย่นงใดที่เราก็เหมือนกันเราเพียงแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเนื้อหนังฟังโท ง, ทงไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนฝูงเราไปอยู่วัน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 ชกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ชอบนอนที่สุขที่ที่สบายกงจะไม่ได้ทำอย่างนั้นมันก็เป็นการทรมายจิตใจแต่ถ้าถ้าได้ทำแล้วมันได้ผลแล้วไอ้เรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเพราะว่าผลที่ได้รับจากจากการทำจิตใจให้สงบนี่มันเป็นมันเหนือสิ่งองื่นเหนือความสุขอื่นความสุขอื่นที่เราได้สัมผัสมา ความสุขที่ได้ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปรับประทานอาหารไปดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเทียบกับความสุขที่ไดท้ที่เกิดจากความสงบของจิตใจแล้วมันห่างกันเหมือนฟ้ากับดินนีนมันความเหน็ดเหนื่อยเมื่ อ, อล้าความทุกข์ทรมารลําบากวดทนอดกา้านต่างๆมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยมันคุ้มค่าก็เหมือนกับคนที่เ่า ซือลอตเตอรตี่กันอยู่ทุกวันซื้อมาตี๋ตี๋ไม่เคยถูกก็ยังมีกําลังจิตกําลังใจงที่จะซื้นั้นใดการปฏิบัติธรรมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเขาให้เรามองว่ามันก็เป็นเหมือนกับการถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่นึ่เป็นแต่ว่าเราไม่ถูกแต่อย่างน้อยเราก็ยังไม่ไมท้อแท้เรายังมีกําลังจิตกําลังใจงที่จะบากบัน่นไปปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ดไปที่วัดก็พยายามปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็อย่างดีเดีย๋ยวแต่รอโอกาสรอจังหวะเพราะมันอาจจะไม่ค่อยมีชีวิตของเรามันมีเรื่องยุ่งวุ่นวายมากมีธุระภารกิจต่างๆว่าถ้าเราไม่สร้างเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้เราจะไม่มีเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้ <c oughs> แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเป็นเพื่อนเพื่อนระยามยากจริงๆ เวลาตกทุกข์ได้ยากฝ่าเกลียวใจถ้ามีธรรมะแล้วมันไม่มีความรู้สึกว่าวเหว่ไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีสัาหเวลาเจ็บไายได้ป่วยเวลาตายกันไม่เคยคิดถึงครับไม่เคยคิดว่าทําไมคนนั้นไม่มาเยี่ยมเราวันนี้ไม่มาหาเราไม่เคยคิดเพราะมันมีมันมีที่พึ่งอยู่ภายในใจก็คือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิงมันเนื่องอยู่มันจะคิดอะไรได้ ที่มันไม่ที่มันคิดกระพมไม่สงบนียิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งวุ่นวายจางไปใหญ่ก็เลยยิ่งไปทําให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยผทานุษย์ลงไปมากขึ้นไปใหญ่อย่างถ้าจิตสงบแล้วปล่อยให้น่างกายมันพักผ่อนไปบางทีมันก็หายของมันเองโรคบางอย่างมันเกิดจากการที่ไม่ได้รับพักผ่อนพอเพียงใช่ไหมเองถ้ามันได้รับการพักผ่อนพอเพียงเยอะถึงเวลามันก็คลื่นของมันขึ้นมาได้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 พอเกิดเก็บให้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่มียามารักษาทันในธรรมโอโสจนี้ก็เป็นหน่วยยารักษาใจถ้าเรามีแล้วเราจะมียาคอยดูแลรักษาโลกใจของเราโลคจิตของเราไม่ให้มันกำเริบไม่ให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าใจเราไม่มีความทุกข์แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นอะไรในโลกนี้จะเป็นอะไรอย่างไรมันก็เป็นไปาตามเรื่องของมันโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ดั้งเดิม และมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเมื่อมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาโรกนี้มันก็ไม่ได้จะอยู่นี้ไปตลอดทุกวันนึงมันก็หงอยระเบิดเป็นเสียงๆไปแล้วมันก็มีโลคใหม่ปรากฏทางขึ้นมาใหม่ดวงจิตนี้มันสามารถไปได้ทุกแห่งทุกหนมนจะกว้างภาษาจิตนี่มันไปเร็วยิ่งกว่าจรวดเวลามันจะไปเกิดที่พบไหนภูมิไหนโลกไหนลมนไปได้ทานทีทันใด เพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องโรกภายเน่ามันมันไม่มีอะไรที่เราควรที่จะจะยินดีกับคนจะมองว่ามันเป็นเหมือนกับกองไฟมากกว่าเราอย่าไปเป็นแบบแมงเม่าเห็นกองไฟแล้วเกิดอาการดีอกดีใจแมงเม่านี่มันชอบแสงไฟแต่มันไม่รู้ว่าไฟนี่มันมีความร้อนอยู่ด้วยพอมันเห็นแสงไฟมันก็บินเข้าไปหามันก็ถูกความร้อนนั้นเผาผลาญจงไปยนั้นไง พวกเราเจิต่วงเราที่ยังมีความความอยากอยู่มันก็เป็นเหมือนแมม้าแมันอยากในกามมันเห็นมีที่ไหนมีรู้มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลตะางๆมันก็จะวิ่งเข้าหาแต่นี่เมื่อเคยเห็นว่ามันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เลยกลยต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดมากี่พบกี่พลามันก็ต้องมาทุกข์แบบที่เราทุกข์กันอยู่แบบทุกวันนี้ แต่ทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับธรรมะที่เรามีอยู่ในใจของเราถ้าเรามีธรรมะมากทุกเหมือนกับน้อยถ้ามีธรรมะน้อยทุกเหมันก็มากดังนั้นก็ควรที่จะสร้างธรรมะมให้มากขึ้นๆด้วยการเข้าหาพระศาสนาหาครูบาอาจารย์หาหนังสือธรรมะอ่านกันศึกษาไปเรื่อยแล้วพยายามนํามาไปปฏิบัติต้องฝืนต้องมุ่งคับ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 เราก็ใช้มันได้เราฝืนบังคับใช้มันไปหัดใช้มันไปสักระยะหนึ่งต่อไปเราก็ใช้มันได้ดังนั้นการที่เราจะหาความสุขจากความสุบมันก็เป็นการฝืนเพราะส่วนใหญ่เราจะหาความสุขจากรูงเสียงกฤฤฤฤฤฤฤินรสโัตว์พะกันเรื่องง่ายเรื่องการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวกันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ต้องชวนกันเลยเพียงแต่นัด ก, กันเท่านั้นเองให้รู้เวลาก็ไปละ แต่เรื่องการนัดไปปฏิบัติธรรมนี้อาจจะต้องนัด ก, กันเป็นเวลาหลายเดือนนักกันหลายครั้งหลายหนก่อนจะไปกันได้ดังนั้นเราต้องต้องกําหนดเวลาขึ้นมาในเรื่องของการศึกษาธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยตามความพอใจแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ก็ตาม กามนิสัยเดินที่มีอยู่ถ้าเคยจะสมมาทางนี้มากหน่อยก็ อ, อาจจะปฏิบัติศึกษามากหน่อยเข้าหาธรรมะมากหน่อยแต่ถ้าไม่เคยไม่เคยมีมีนิสัยทางนี้มาเลยก็ยากอาจะต้องอาศัยเพื่อนฝูงพาไปบ้างชวนไปบ้างแล้วอาศัยความความการบังคับจิตใจคือเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยากจะหายจากโรค แต่ไม่ชอบกินยาก็ต้องบังคับตัวเองให้กินยาถ้าไม่บังคับก็รู้ว่าไม่กินยามันก็ไม่หายแต่ในธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนยาถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีความมั่นคงมีความสบายมีความสุขเราก็ต้องกินยาคือธรรมะโอเสียมีเราต้องบังคับตัวเราเองเพายามเด้ ง, ดงตัวเราเองให้เข้าสู่ทางศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งานทางโลก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 จนต่อไปมีนาการเป็นความสบายเป็นความถนัดไปวันไหนถ้าไม่ได้ทําแล้วรู้สึกว่าขาดอะไรไปถ้าเราเข้าถึงขั้นนั้นแล้วการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปอย่างาง่ายดายยิา ง, างถ้าเรายังอยู่ในขั้นที่ที่ต้องต่อสู้ต้องพยายามฝ่นก็พยายามอดทนพยายามบังคับแต่เรื่อยๆอย่าท้อแท้งไม่มีงานใดในโลกนี้จะสําคัญเท่ากับงานสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ควาเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ที่พึ่งของเราต่อให้เรามีมากนะ้อยเท่าไรถึงเวลาที่มันจะทุกข์ยเถีงเวลาที่ใจเราทุกข์แล้วสิ่งอันนี้มันมาดับที่ให้ก็กามไม่ได้อย่างให้ท่านทั้งหลายทงเห็นความสําคัญ ข, ของธรรมะแล้วก็พยายามศึกษาและปฏิบัติถ้าที่จะสามารถปฏิบัติได้การแสดงก็คิดว่าสมควรแด่เวลา ก่็นยืไปเปีย น, นท่า น, นี่ดูสันต์ก่อนเวลาที่จมันจะเปลียต้องเสียสละแทนมอน<ร>ิง<ร>ได้ไหมคะไม่ต้องไต้องอยู่ที่สติมากกว่า <c oughs> สติใหต้ตรงๆนันก็ไม่ต้องพิง <c oughs> มนุษย์เราชอบไปหาหาเรื่องมาเป็นภาระเป็นตัวที่เป็นตัวที่จะต้องทำไม่ค่อยทำอะไรความคุยค้างความชอบความสบายอะไรทุกข์เพตัวเองเะไขึ้นตัวเองไม่ได้ต้องมัวแต่พึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้เวลานั่งสมาธิก็ต้องมีที่นั่งเป็นเบาะนั่งนิ่งๆเวลาไปนั่งที่ไหนไม่มีเบาะนั่งก็นั่งไม่ได้นะ พยายามนั <T t ่งแบบที่ไปอยู่ที่ไหนก็นั่งได้ไม่มีเบาะไม่มีอะไรนั่งกับพื้นมันนะเนี้ยไหนนั่งได้ก็นั่งก็พอยิ่งมีอะไรมากมันยิ่งเรื่องมากทําให้การปฏิบัตินี้เป็นมีเงื่อนไหมากทําให้ยากขึ้นการที่จะทําให้มันง่าเหมือนลับเป็นเรื่องยากกว่ถ้าใหม่ๆมันก็จะทําให้เราหลับ นพราะ่ันสบายนสบายแล้วจะเป็นไม่ดีการมีคำถามว่าบางครั้งที่เราตั่งสมาธินะคะบางครั้งเราก็โศกนะคะบางครั้งเราก็ไม่ค่เรกทีนี้เราก็มาังเที่วเขาที่แล้มาส่งทีนี้มาทำลงไปเนาะเหมอนนี้จบอกแบบนั้นแล้วคนเดินไปออกก็ทำแบบนี้ คือท่านก็สอนบอกว่าเวลาที่เราจะเวลาเราสงบแล้วเราออกจากสมาธิเวลาที่เราเลิกเราควรจะมาทบทวนว่าออวันนี้เราเนนั่งอย่างไรแล้วมันสงบอย่างไรเราพยายามจำเอาไว้ก่แต่ถ้าเราจําไม่ได้ก็รักเราก็ต้องมาทบทวนใหม่มานั่งคิดใหม่แต่ความจริงมันก็อยู่ที่ใจเราเป็นหลักว่าใจเรานย่งไม่ไปหวังผลจากการนั่งคืออย่าไปคาด ว, ว่าวันนี้โอ้จะนั่งนั่งให้สงบให้ได้ นี่มันเป็นการข้ายๆมันเป็นการสร้างความกดดันให้กับเราแล้วเราเราก็จะนั่งเร่งถึงว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบสักทีอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้สงบเจ็บมันสงบได้ก็ต่อเมื่อมันลืมเรื่องราวต่างๆทั้งหมดให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านะั้นแ่ละมันถึงจะสงบได้ มันจะสงบยากหรือไม่ยากบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยบางทีวันนั้นเราอาจจะไปมีเรื่องมีราวมีกับใครคนนั่นงคนนี้มีอารมณ์เยอะอารมณ์ค้างค้งอยู่เยอะมันก็อาจจะเคลียร์ยากนะทำให้สงบยากหนะแต่บางวันถ้ามันไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทางความพอใจความต้องการของเราใจของเราก็ไม่มีอารมณ์กับอะไร เวลามานั่งแล้วจาจนี้ไปยึดไปติดไปคิดกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปแล้วในอดีตแล้วก็ไม่ได้ไปหวังว่าจะต้องสงบในอนาคตที่จะนั่งนี้นแต่ขอให้ได้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปนะี้มันก็จะสงบได้หลักอยู่ที่สติกับพุโทโธหรือสติกับล ม, มหายใจเขา้อเรียกว่าอนาคานะสติไงที่มีสติอยู่กับลมเข้าลมออก เลือยพุท ธ, ธานุสติก็ให้อยู่กับพุโทโธมีสติรู้อยู่กับพุโทโธนี่คือหลักของการทำจิตให้สงบให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่จะเป็นการบริกรรก็บริกรรมไปจะเป็นการสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปแต่อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปแล้วหรือคาดคะเนนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการสวดมนต์หรือจากการบริกา ร, รพุโทโธว่า อ, อวันนี้บริกรรมดีเดี๋ยวจะต้องสงบแน่ๆอย่างนี้ก็คิดไม่ได้้ไปคิดทั้งสิ้นวันนี้จะต้องเป็นเหมือนเมื่อวันก่อนแน่นอนแต่คิดอย่างนี้มันไม่สงบแล้วมันจะเริ่มเกิดความกังวลเกิดความวุ่นวายใจยขึ้นมาแล้ก็จะกลายเป็นนิ ว, วันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่าไปคิดถึงอดีตและไม่ต้องไปคาดถึงอ น, นาคพอให้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรี้อยู่กับงานที่เรา กำหนดให้จิตทำอถ้าพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยไม่ใช้การคอยกรรมก็ให้ดูแต่ลมอย่างเดียวเมือนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าสังเกต ด, ดูว่าลมมันสัมผัสตรงไหนชัดเด่นชัดก็ให้เกาะ อ, อยู่ตรงจุด น, นั้นก็ได้เช่นแถวปลายจมูกหรือบริเวณเหนือลินปีปากขึ้นมาลมมันจะสัมผัสตรงนั้นเวลาเข้าวเวลาออก เราไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกก็ได้ให้อยู่ที่จุดนั้นถึกเดียวอันนี้แล้วแต่ความถนัดคนบางคนก็ไม่ถนัดลมแต่ถนัดพุดโทโธบางคนก็ถนัดทั้งสองอย่างหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธหรือหายใจเข้าก็พุโทโธหายใจออกก็พุโทโธอันนี้ต้องแล้วแต่จลนิสัยคือจะไปทาเหมือนคนอื่นไม่ได้แต่และคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกัน พระพุทธเจ้าจนงกำหนดกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันไม่ได้มีแต่พุโทโธอย่างเดียวหรืออานาปานสติอย่างเดียวบางคนอาจจะชอบกําหนดดูโครงกระดู ก, กด็ได้บางคนกําหนดหลับตาแล้วเพ่งนึกให้เห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็ ก, กําหนดเกาะอยู่กับโครงกระดูกนั้นก็ได้บางคนชอบพิจารณาความตาจะอาจจะพิจารณาดูซากศพ ข, ของคนนั้นก็นี้ไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ แล้วแต่จะทำหนบางคนก็ชอบสีก็กําหนดเป็นสีขึ้นมาแบบตาแล้วกําหนดให้เห็นสีแดงหปรากฏอยู่ในจอภาพของใจแล้วราพยายามรักษาสีแดงมันให้มันแดงไปเรื่อยๆอันนี้มันแล้วแต่จลนิสัยของใจเราคนที่เกิดขึ้มาก่อนเนอดีตแล้วมเมื่อเรามาเจอชาตินี้เราก็มาทําต่อบางคนถ้าไม่มีประสบประการณ์มาก่อนเลยก็อาจจะ ชอบบังได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไปเพราะเจริญนี้ท่านก็บอกมีอยู่ถึงห้าเจริญด้วยกันมีมีศรัทธาเจริตมีเอ่อโทสะเจริตโมหะเจริญโลภะเจริตแล้วก็มีพุทธ พ, พุทธิเจริตพิจรณ์นี้ท่านหมายถึงพวกปัญญาพวกนี้มักจะชอบพิจารณาความตาย พิจารอาการส2ของร่างกายหีอืาอาการใดอาการนของร่างกายพวกโมหะจริตที่ขั้นร้อชอบทพวกอานาตนสติพุกศทธาจริตก็ชอบพุท ธ, ธานุสติพวกที่ชอบเชื่อพวกพุทธธรรมประธธสงค์นี้จะเจริญพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอนปปะพวกโทสะจริตตั้งกัลยาควรจะเจริญด้วยเมตตาภาวนาเพาื่อระับดับความโกร แต่ถ้าสมมติว่าเ อ, อปกติดูลงแล้วก็บางวันนีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่จับไม่แนงให้เราเปลี่ยนเป็นครัวนาเป็นพุดโธนี่ได้ไหมครับได้แล้วแต่เราจะได้เพียงแต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนมันบ่อยๆคือเราลองวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วเราพยายามเกาะใช้วิธีนั้นให้มันชำนานดีกว่า<ม>ดีกว่าที่เราใช้วิธีนี้แล้วก็เปลี่ยนไปวิธีนั้น เราจะอาจจะไม่ได้อะไรสักอยนางหนึ่งแล้วพอเราควรจะมีอันใงอันหนึ่งเป็นเป็นหลักของเราในการเริ่มต้นแต่เมื่อภาวนาไปแล้วพอมันพอมันขึ้นไปสูงข่าดนั้นแล้วมันจะมันจะเปลี่ยนไปคือมันจะบางทีไม่ต้องอาศัยลมไม่ต้องอาศัยมันเพียมีสติกำหนดให้จิต น, นิ่งเหมือนกันนิ่งได้ หรือเราอาจจะเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วก็ไปสิ่การพิจารนาแต่แต่เมื่อเราเอาิจารณาไปแล้วเราต้องการจะพักเราก็ต้องย้อนกลับมาสู่การทำจิตให้สนุกแล้วก็อาจจะต้องกลับมาที่ที่กรรมฐ า, านเดิมที่เราเคยใช้อยู่อาจจะกลับมาหาพิทูละอาจกลับมาหาลมิกก็ได้แต่ท่านสอนว่าควรจะฝึก ด้วยกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับเราแล้วพยายามทำํำไปเรื่อยๆกับกรรมฐานนั้นดีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะหาหาเหตุไม่เจอว่าปัญหามีตรงไห น, นปัญหาถ้าบางทีมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเราไม่มีสติพอคือว่าเวลานั่งเนี่ยส่วนมาก ถึงแ้ว่าเราดูลมแต่ว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราไปดูจับผับที่เท้าได้ไหมจ๊ะได้ไดเวลาเดินนี้มันดูลมนี่มันจะไม่เสะดวเพราะว่าจิตมันจะอยากกว่าเวลานั่งลมมันละเอียดกว่าก็จะจะจับมันไม่ได้ก็ดูที่เท้าอย่างเวลาเป็นารเดินก็ดูที่ท้าเหมือนกัน ทาท้ขอท่าท้ายของอะไรโดยไไม่ต้องเป็นแบบพูดโถกถ็กได้อยังไม่ต้องไม่ต้องให้รู้อยู่กับการท่าท้ายเท้าขวาให้อยู่กับตรงนั้นหลักหหใ<น>หญๆก็คือต้องการดึงคิดให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดเรื่องราวตา่างๆถ้าเราเท้าท้ายเท้าขวาแล้วเรายัางคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ไม่ได้เหมีอนกันก็จะไม่ได้ผลถ้าอยู่กับเท้ททาท้ายเท่าขาก็อยู่ไปหรือบางทีคนเดินแล้พิจารณาธรรมะก็ได้พิจารณาดูอาการทางจิตใจก็ได้ ถ้าถาถ้าทบางการก็กำหนดดูอาการ 3.2 ดูผมผลรล็บฟันหนงเนื้อเอ็นกรดูหรือต่างสลดเข้าแฉกออกเื่องต้นถ้ายังไม่รู้ก็ท่องไปก่อนก็ได้การ 3.2 มีอะไรบ้างมีดกส่วนบนที่ก็เสื่อมไปมีผมีเล็บมีฟันมีหนัมี้อเอ็นกระดูกมีอวัยวะต่างๆท่องไปก่อน แล้วต่อมาเมื่อเราจำได้แล้วเราต้องมาคำนวณดูแต่ละอาการก็ได้ผมเป็นยัางานผมเป็นยัางานเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงท่องมือก็เรียกท่องเที่ยวในกายนครนี่จะเป็นการทําเจ็บให้สม่ำแต่ปัญหาก็คือว่าบางทีเราใจร้อนเราทำอะไรนิดอะไรหน่อยเราอยากจะได้ผล ท, ทันริงเรื่องผลนี่เราอยากไปคำนวณัน แล้วกำหนดได้ที่ถหตุคือการการพิจารณาการกำหนดจิตให้ยื่กับอารมณใดอารมณ์หนึ่งหรือหลายๆอารมณ์ก็ได้ถ้าเราพิจ า, ารณากายเป็นอารมณ์แต่เราอย่าไปหวังผลจากการกระทาผลนี้ปล่อยมันเหมือนกับเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องมันมันจะมาให้มันมาเองถ้าเราไปมองัวแต่รอมันจะไม่มาเพราะการรอนี้มันเป็นการ เดินกายไปขัดขวางผลที่จะเกิดขึ้นอย่างที่หลังก่อนนี้่อตาท่านชื่อพระอา น, นุนรอจะให้บรรลุทําไม่ได้เพระพุทธเจ้าทรงกําหนดว่าจะต้องบรรลุในคืนในคืนนั้นก่อนที่จะถึงเช้าวันนั้นเพราะว่าเช้าวันนั้นเขาจะมีการประชุมสังฆาณาธิการห้าร้อยลูกแล้วพระอนุนนี้นนจะเป็นองค์ที่ห้าแล้วแต่ท่านยังไม่ได้เป็นท่านในตอนนั้น ท่านก็มีความมิตรตกมีความกังวลท่านก็มีความพยายามมากพยายามที่จะบรรลุให้ได้เพราเชื่อว่าเพระพุทธเจ้ามองทรรมนาแล้วจะต้องไม่ผิดแ น, น่นอนแต่ตัวหนึ่งก็ต้องทำหน้าที่ของตนก็คือต้องเล่นความเพียรถ้าเล่งไปเท่าไหร่มันอาจจะเล่งจนเกินไปเลยถ้าเป็นรถนึ่งก็เกิดจอดเกินป้ายไปเลยป้ายไป <c oughs> ก็เลยต้องต้องย้อนกลับเข้ามา ถ้าจิดของท่านั้นนั้นไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปอยู่ที่การบรรลุเป็นท่านะฮะคิดถึงการว่าจะตั้งบรรลุเนี่ยนะจะบรรลุเมื่อไหร่เทนั้นเองถ้าคิดอย่อยางนั้นใจก็เลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทําจิตให้เป็นเป็นปัจจุบันมันไปอยู่อนาคตไปอ่อดีตอดีตคือทำความทํานางของพองระเจ้าผลก็คือที่จะจัิดไปายข้างหน้าใจามันเลยไม่อยู่ในปัจจุบันอ แต่พอมันใกล้ถึงเวลาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าคงจะไม่ได้บรรลุแน่แก็เลยปล่อยอนาคตมันมันเป็นก็ไม่เป็นแล่ก็ขอพักดีกว่าขณะทีออ่จะพักตัวลงไปอยู่ในขึ้นท่านั่งขึ้นนอนนี้กจิตมันก็หลุดไปตอเพราะจิตมันปล่อยอดีตปล่อย อ, อนาคตกลับมาอยู่ที่ตัวสิบัน จิตมันก็มันจะลอช่องออกอยู่แนละ้วแต่มันไม่มีช่องออกเพรเราไปไปไปเดินไปอยู่ช่องอนาคตช่องปัจจุบันช่องอดีตไม่ให้มันอยู่ในช่องปัจจุบันในเวลาทำภาวนามันต้องอยู่ปัจจุบันเป็นหลักต้องให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นลักพอคิดทับนี้มันก็เป็นอดีตไปอนาคตไปมันไม่เป็นปัจจุบันยกเว้นถ้าเป็นการพิจารณา สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มันก็ยังเป็นการพิจารณาอยู่พิจารณาขณะที่พิจารณาผลมันจะไม่เกิดมันพิจารณาแล้วเมื่อมันได้ข้อสรุปแล้วมันรู้ว่าจะต้องทำอย่างไงแล้วเนมันถึงจะเกิดผลขึ้นมามันรู้ว่าต้องปล่อยครับเนี่ยพอมันรู้ว่าปล่อยหรือว่ากำลังยึดอยู่กับอะไรเมื่อกี้ถ้าไม่ได้พิจารณาจะไม่รู้พอรู้ว่ากําลังยึดอยู่กับอนาคตเนี่ยแค่ปล่อยมันไปครับมันก็กลับมาสู่ปัจจุบัน Ών, เป็นการภาวนาเพื่อให้เกิดผลมันต้องจิตจะต้องเป็นตัวจุบมอาร้อนเยนะนเย็นน่ไมาอากาศมันร้อนใไหพอร์ร้อนเปิดแอร์ก็เย็นเกนไ้มันเป็นธรรมชาติให้เอาความร้อนนี้ปล่อยให้มันร้อนกัน ให้มันเหนียแต่พักให้มันเสื้อเปล็ยของทั้งตัวเราไม่เป็นไรที่เราเป็นลังเกียจมันเนี่ยเราถึงไม่ไม่เป็นไรเป็นเลยเป็นอุปรรคปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ไปสนใจอย่าไปสนใจมันที่น่องมันก็เป็นเป็นเหมือนกับวลานั่างปลายล้วเดี๋ยวเกิดทุกขเวทนามันก็เหมือนกันลูกก็จะเกิดแแอร์เพราะเป็นแอร์เย็ไม่ต้องไปเปิดพยามให้มันเป็นธรรมชาติที่สุด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 แต่ความจริงถ้านั่งภาวนาเป็นนานแลนะ้วอากาศมันจะเย็นยังไงมันจะร่างกายมันจะเริ่มร้อนมันจะรู้สึกอุ่นขึ้นมาเองถ้ามีถ้ามีแอร์ก็ถือว่ามีบุญแต่ <c oughs> แต่มันก็มีปัญหาได้เพราะมันจะติดแอร์ <c oughs> เดี๋ยวมันไปนั่งที่อื่นันจะได้ดัง <c oughs> นั้นควจะให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเรียบง่ายที่สุดอย่าไปอาศัยสิ่งใครนอกมาเป็นเครื่องประกอบในการภาวนา ยกเว้นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกทนันเองที่เป็นธรรมชาติค่ะคุณค่ะุรู้สึกว่าในขณะที่นั่งดูอยู่นี่มีความรู้สึกว่าปัจจุบันอดีตอนาคตเียมันแทบจะขึ้นมาขี่กันเลยถ้าจะเพราะว่ามันเหมือนลดลมหายใจออกไปมันก็เป็นอดีตไปตรงนี้แค่มันมันลำบากมากเลยเพราะมัน ไม่เข้าใจอธิบายเลยแต่รู้สึกว่าเวลาที่ดูอยู่เนี่ยมันเป็นสามตัวซ้อนเลยอืมอันีวันก็ดูตัวตัวเดียวแล้วกันเนี่ยตั้งใจให้ดูก็ถ้าดูลมก็ดูที่จุดมันเข้ามันออกค่ะดูจุดที่มันสัมผัสที่เราพอจะรู้สึกก็อยู่กันเฉกนนั้นมันเข้าไปมันก็เป็นอดีตนั้นมันออกมามันก็เป็นอดีตแต่เราอยู่กันปัจจุบันอยู่ตรงที่จุดมันสัมผัสนันก็ แต่อดีตปัจจุบันมันมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรถ้ามันคล้องกันอยู่ก็รู้รู้ก็ได้สามารได้ถ้าเราไม่คิดปรุงกับมันก็ไม่เป็นไรพราะางทีมันก็เกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันมันเหมือนมีควารู้สึกว่าในขณะที่มันต่อกันนี่มันจะมีช่องว่างึี่มันจะหลุดออกไปตรงนั้นเหมือนกันมันมันต้เ่าสังเกตดูมันเหมือนมีช่องว่างอยู่นิดนึ่ง ก็คงไม่เ like. ป็นไรมันก็ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นก็แล้วกันให้มันอยู่จุดเดียวค่ะถ้าตาใดเราไม่มีการการปรุงแต่งก็ไม่เป็นไรให้รู้อยู่ว่ามันก็มีเนี่ยมันมีมีการการไหลของของของอดีตสูปัจจุบันสู่อนาคตขมันไปเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นก็ได้คุณจันท่์นาคแล้วพักหนึ่งมันก็เกิดอาการทางกายที่ปัวจะแขวง ทีก็ปล่อยถ้ามันเป็นอุปทานมากกว่าเพราะความจริงแล้วมันไม่ได้แกว่งไม่ได้อางานในคนก็แสดงว่าเราห่างจ <ทำ S 2> ากบริคารบริการหรือหาอา่างจากกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ<ม>ิตใจถ้ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเราจะไม่สนใจกับการแกว่งการอะไรของร่างกายทั้งสิ้น พอเราเป็นสนใจตอนนี้แสดงเราแวบออกมาละ <It 's S 1> เราไม่ได้อยู่กับพุทโธละเราไม่ได้อยู่กับลม่ยเราไปอยู่กับการแกงแ่งนะต้องย้อนกลับมาให้เราไม่ต้องการเราไม่เอาความการแก่งมาเป็นเป็นที่ตั้งของสติเราเราต้องการลมเป็นที่ตั้งของสติแล้ว s <S ลว่ากลับมาหาลมเล้ s <S ถ้าเราใช้พุทโธเรากลับมาหาพุทโธ <So, S 1> ถ้าเราสวดมนต์เราก็กลับมาหาที่สวดมนต์อยาไปหาเรื่องอื่นเพราะมันจะมีเรื่องอื่นมาคอยคอยหลอกล่อให้เราไปสนใจอย่เรื่อย บางทีเรานั่งไปได้ยินเสียงใครเขาไอาเพียงครั้งเดียวเนี่นยใจเมื่อคิดถึงเรื่องไอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องหมอเรื่องอะไรตามไปได้ยาวเหยียดเลยพอกลับไปได้พวกนั้นที่เรากึะ้นจะเกิดขึ้นมันก็ดับไปเองอถ้าเราไปสนใจมันเดียวมันก็หายไปนี่แล้วอย่างเรเนี่ยเราตามดูอารมณ์ความรู้สึกการชื่นตะทศหรือบางทีรักๆเราเท่าหรือบางทีอะไรนย่างเงี้แต่บางทีเวลาเราคิดอะไรเผลอไปเนี่ยเราตา รู้สึกก็เราดูอารมณ์เฉยดูตามความคิ น, นะคะดูอารมณ์ความรู้สึกที่สุขบ้างทุกบ้างก็ได้ดูได้แต่เวลาเราคิดคอยจะบเขอไปคิดเรื่อ ง, งต่างๆต่างๆทุกมวิธีที่จะแก้ก็คือใช้บริกรรมพุทโธเข้าไปเลยถ้าเราพุทโธแล้วมันจะคิดไม่ได้คือจิตนี่มันจะทํามันจะคิดได้ในแต่และขณะเนี่ยมันจะคิดได้เรื่องเดียว แต่เราพูดโธรอยู่นี่มันจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าขณะหนึ่งมันสั้นและมันเร็วมากาเวลาพูดโทรปั๊บอีกขณะหนึ่งมันก็แวบไปได้นะ mm hmm. เราต้องบางทีต้องบ ร, ริกรรม mm hmm. ถี่หรือว่าต้องต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาว่าเราเรากำลังพูดโธอยู่หรือเปล่าถ้ากอนนั้นก็ใช้กล้องไม่ได้นะ mm hmm. ต้องใช้พูดโทรกันอยู ที่ว่าถ้ามันเริ่มจิตมันเริ่มคิดแล้วบางทีลมดูลมมันอาจจะไม่ไม่ไม่พอถ้าย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนทังกันก็ได้ก็ก็ลองดูก็แล้วกันดูว่าอะไรมันได้ผลก็จะหนีได้ไหฮะผมว่าเราเรานั่งสมาธิอาการนั่งเนี่ยเราเอาลมอย่างเดียวเราไม่เอาพุทโธได้แต่ถ้าเราเดินเราเคลื่อนไหวเราเอาพุทโธได้นะฮะหรือเดินโยกมือเอาเท้าอย่างเดียว นะฮะไม่อเอาแต่ถามอย่างเนี้ยก็ลองดูลองดูก็แล้วกันในแต่ละไม่อาไปปุ่นกันในแใจริยาบทว่าลองดูแล้วว่าอันไหนได้ประโยชน์<า>คือเป้าหมายก็คือต้องการไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆเป็นหลักให้จิตรู้อยู่กับพเหตุาการณ์ที่เกิดขึน้นในปัจจุบันแต่บางทีความคิดของเรามันละเอียดเราไม่รู้ว่าเรากําลังคิดอยู่เรามองไม่เห็นลง แต่ไม่ทนแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราให้รู้อยู่กับสิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือร่างกายก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวไปวนอยา่าไปเดินไปแล้วก็คิดถึงงานที่ทำมาเมื่ อ, อวานนี้ ง, งานที่จะต้องไปทำพรุ่งนี้วันนี้เป็นต้นให้รู้ว่าเราอยู่กับซ้ายขวาหรือป่าเท่านั้นเองให้มันหั้นไป แต่ถ้าบางทีมันซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วมันก็อย่างคิดบางทีก็ใช้บริการพุทธโธเข้าไปแทนก็ได้เพราะบางทีมันมันพุทธโธนี้มันสกัดได้รู้สึกว่าหลวงตาท่านจะจะสอนเรื่องพุทธโธนี้มากหลวงตาท่านเคยใช้พุทธโธเป็นการเป็นการทำจิตของท่านสงบในช่วงที่จิตของท่านเคยเสี่ยงไปครั้งแรกตอนที่ท่านไปทำโปรดอยู่ เดือนสองเดือนแล้วจิตมันไม่สนุกท่านก็พยายามนั่งยังไงก็ไม่สนุกตอนหลังท่านก็มาจับได้ว่าต้องมีพุโทโธแต่เราไปพุโทโธมันใ น, ในอิริยาบถสี่ไม่ว่าจะทําอะไรก็พุโทโธแม่เราจะคิดอะไรเพราะตอนนั้นท่านก็อยู่คนเดียวท่านก็ไม่มีภารกิจที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครที่ไหนก็คิดแต่ว่าพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้วกับภารกิจที่ทําอยู่ในปัจจุบัน เป็นดินบินทบาดก็บินาบาทบ่ายไปแต่ใจก็พุโทโธไปเมื่บินทบาดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้นเวลาปัดกวาดก็พุโทโธแล้วก็อยู่กับการปัดกวาดเวลาฉันก็อยู่กับพุโทโธไปจิ mm hmm. ตมันก็จะถูกตะล่อมเข้ามา mm hmm. แล้วพอมานั่งก็พุโทโธพุธโทโธเย็นนู้นก็สงบง mm hmm. ลงเท้านั้นแต่ถ้าจะกําหนดสติแล้วรู้ตา ด, ดูตามมันนี้มันก็จะตามมันไปเรื่อย เพ่งเขาบางบางที่เขาสอนว่าให้มีสติดูดูดูความคิดดูตามความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ตามไปเรื่อยๆมันก็เหมือนก็เหมือนกับวิ่งจะจับจับลิงเนี่ยมันก็วิ่งมันมันก็ไม่หยู่สักทีวิธีจะหยุดเราต้องสกัดมันไม่ให้มันมีที่วิ่งที่นักพุทโธมาขวางข้างหน้าขวางข้างหลังขวางข้างข้างข้างซ้ายข้างขวามันไปไหนไม่ได้มันก็หยุดแต่ตรงนั้นถ้าคิดเป็นในวงธรรมะละคะ ได้ถ้าเป็นปัญญาก็ได้ถ้าเป็นปัญญาก็อย่างก็เป็นบรรัญญาบูรณาสมาธิคิดมันจะไปะคิดดังนั้นก็บว่าเดี๋ยวว่าแก่ตายแล้วไปทําอะไรผมเภาวนจะไปกังวลทําไมว่าจะรูปหน้าจะไม่สวยหน้าตาจะไม่งามเดี๋ยวมันก็เลานอนในโรงก็ไม่มีใครเข้ามาถ่ายรูปหน้าอยู่ดีเล้วที่อย่างนี้นมันก็มันก็ตับได้มันก็ไม่กังวลมันก็แค่ใช้เรื่องกังวลอยู่ คือถ้าเวลาเราจมบางคนเนี่ยนะคะสมาีิได้นานมากั่วโมสาชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแต่ตทีเรานั่งไม่ได้เหได้อย่างมากช่งเนี่ยราคุมความไม่ดว่าคนอื่นที่ก็้น่าได้นานามสี่ัวสอบได้เกรดสี่เราได้ไม่เกลดหนึ่งเกดสออไเงี้ยอไม่จาเป็นหรอคือจิติของแต่ละคนไม่จำเป็น <c oughs> ะไม่จเป็นคนะมันมีสองจิตอย่างที่ถ้าเรออะไรปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตต โอเคต ว, วิมุต น, นี้คืเข้าฌานก่อนได้ฌานอย่างพระโมกคลานี้พวกปัญญาวิมุตติ น, นี้เหมือนพวกภาษาลบุนีวนี้พอสงบแล้วจิตก็ออกพิจารณาได้เลยพิจารณาปัญญาทางด้านปัญญาอันใตรลักไปเลย ไม่สำคัญคุณจะภาพแล้วจ้ะทุกคนก็นั่งสวะคือสมาธิมันมีสแบบนะถึงว่าเวลาเข้าชานแล้วนั่งเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเนี่มันก็ได้แค่ความสงบของจิตแต่ถึงว่าถ้าจิตเราสงบแล้วมันเป็นฐานถึงแม้เราจะออกมาจากความสงบนั้นแต่ใจายของเราก็ไม่วุ่นวายใจของเราก็ยังเย็นอย่างสบาย แล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็พิจารณาไปทางปัญญาเลยเราก็จะก้าวหน้าขึ้นเพราะเพราะเราจะเราจะก้าวขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาเลยส่วนพวกที่เขาติดฌานบางทีเขาก็ไม่ออกทางปัญญาพอเวลาเขานั่งสมาธิเขาก็เข้าไปหลายลายชั่วโมงพอออกมาแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ไปทางปัญญาเพราะเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขกั บ, ก, บกับความสงบนั้น เดี๋ยวพอต้องการกวามสงบอีกเขาก็กลับไปเข้าไปนั่งอีกเขาเรียกว่าติดติดในสมาธิเนี่ที่มันจะมันจะติดกันอย่างนี้ไปขั้นขตามขั้นขัขขขขขเวลาปฏิบัติไปพอได้สมาธิแล้วมันก็จะติดในสมาธิว่ามันมีความสงบมีความสึกเดี๋ยวไม่ค่อยอยากจะพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะพิจารณาปัญญามันต้องทํางานจิตต้องคิดเนี่ยเพียงแต่ว่าเอาจิตมาคิดในในหลักของไตรลักษณ์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 ความร้อนมันก็หายไปแล้วระเหยเออกไปหมดแล้วความร้อนในร่างกายคนตายคนเป็นนี่มีความแตกต่างกันไปจับตัวดูก็รู้คนตายนี่เย็นเฉียบคนที่ยังไม่ตายนี่ร่างกายยังอุ่นอยู่แสดงว่ยังมีท่าไฟอยู่ไฟยังมีอยู่แต่คนตายนี่ไฟมันหมดแล้วไฟมันออมดแล้วถ้าปล่อยทิ้ไงไว้น้นมันก็จะไหลออกมาลมมันก็ไม่เข้าไม่ออกแล้ว เราว่าคนคนเป็นมันยังมีลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีห ล, ลายระแล้วก็เหลือแต่ธาตุินถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็เปื่อยมันก็ผุมันก็แห้งกรอบกลายเป็นกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินแต่ในที่สุดมันก็เห็น ช, าชาัดๆอยู่ถ้าเราเจนน่ะอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญา พิจารณานี้แล้วเห็นนะ่ามันต่อไปมันก็จะได้คลายความหลงอยู่กับร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเราแท้จริงมันก็เป็นแค่ยินน้ำหนุนไฟเวลาเข้ามาก็เข้ามาทางไหนก็เข้ามาทางปากเรานี่แหละเราไม่เห็นเนะีอยที่เรากินเข้าไปนะมันก็ดินน้ำหนุนไฟเนทะ้านั้นเหรอเอาไปแล้วมันก็ม า, ม า, ม, ามาเปี่ยงสภาพจากจากอาหารมันก็มากลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน ผมเรามันงอกออกมาได้ไงถ้าเราไม่กินข้าวหรือสักเดือนหงมันไม่มีสาร ง, งอกออกมาเรากินข้าวเข้าไปกินน้ําเข้าไปเราหายใจเข้าไปแล้วการรวมของดินน้ําลมมันก็ทําให้เกิดไฟขึ้นมาคือความร้อนเวลาเรากินข้าวไปไหนมาสังเกตดูร่างกายเราจะร้อนเหงื่อแตกเพราะว่าเริ่มเกิดปฏิกิริยาของของกลางของการทํา ง, งานของดินน้ํากับนมผสมกัน มันก็ทําให้เกิดไฟเหมือนเหมือนอย่างที่อกับตาวน้าร้อนเมื่อกี้เนี่ยลันจะดินน้ํำลมไฟมันก็มีอยู่ที่นั้นแหละนะเราไปกดมันปุ๊บมันจะเกิดปฏิิทิยาความร้อนมันก็ออกมาเหมือนการร่างกายเราไอถึงน้ําร้อนนี่มันก็เหมือนกันเดียวกันนี่แค่เรามันไปมีแต่ความความคิดที่มันฝังหรือกินในใจว่าร่างกายนี่คือตัวเราตัวฉันนะนคิดอยู่นะอย่างเดียวมันไม่เคยมองว่า ว่ามันมาอย่างไงเหมือนไปอย่างไงเราต้องพิจรารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร่างกายนี้มันก็เริ่มจากน้ําสงหยดของพ่อหยดของแม่หยดใช่ไหมเมื่อเกิดการผสมพันธุ์กันขึ้นมาก็เกิดการต่อกร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่ในคันของทําแม่ก็สายน้ํานมอาหารของคุณแม่ก็เป็นน้ําลําไฟแบบละเอียดที่เข้าไปเสริมสร้างให้ให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาพ่อจากร่างของ พอจะอา อ, าอาจากท้องแรกก็ก็กดื่มนมดื่มน้ำก่อนอาหารอาหารละเอียดแล้วเมื่อโตขึ้นมาก็กินอาหารหยากเช่นข้าวข้าวต้มอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นดินน้ำอีกฝ่ายหนึมาในรูปแบบต่างๆเพื่อไปเสริมสร้างอาการสามสิบสองให้มันจเจริญเติบโตงอก ง, งานขึ้นมาพิจารณานี้ไปเรื่อยๆพิจารณากลับไปกลับมา พัฒนาคว า, ามจำแบบนีคไาเรื่อยๆหลังจากมันจะร้องออกขึ้นมาเองบอเข้าใจนะอ๋ะ อ, อไม่ใช่เรามันเพียงแค่เป็นการการมาการไปของดินด น, ด น, น้ำลมฝอยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราคิดแค่ครั้งเดียวเราหยุดคิดหนึ่งก็กลายเป็นสัญญาความจําไปพอถึงเวลาจะจะตัดอุปท า, านก็ตัดไม่ได้เพราะว่าอุปท า, านนี้มันมีแรงมากกว่า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 คุณจะว่าไงฉันก็ไม่เชื่อนะฉันเชื่อว่ามันเป็นดินน้ำมุนไฟ น, นั่นเองฉันไม่กลัวละมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปมันก็แค่แค่ดินน้ำมุงไฟนั่นเองมันต้องอาศัยพิจารณาบ่อยๆเนี่ยมันมันจะยากตรงนี้ปัญญามันไม่ใช่คิดพิจารณาหนสองหนแล้วก็จะบรรลุดได้นอกจากคนที่มีปัญญาที่เฉียดแล้วที่มองมองสรลุเห็นชัดแจ้งอย่างแจะไม่สงสัยเลยเนี่ย อันนี้บ า, างทีก็พิจารณาหนสองเห็นเขาก็ืก่อเขาก็เข้าใจก็มีปัญญาเนี่ยมันถึงต่างนคนบางคนนี่ถ้ามีมีปัญญาบามีเยอะก็จะบรรลุเร็วคน ท, ที่มีปัญญาบามีน้อยก็บรรลุช้าการบรรลุนี่ไม่ได้บรรลุ ด, ด้วยสมาธิมันบรรลุ ด, ด้วยปัญญาแต่ต้องอาศัยอาศัยสมาธิเป็นเป็นเป็นทางผ่านเป็นผู้สนับสนุน คืต้องมีสมาธิก่อนคือจิตจะต้องอยู่ในปัจจุบันจิตต้องอยู่ในอยู่ในคาวามสงบต่อ จ, จากความความโลภโกรธของมาคอยครอดงามเวลาจิตสงบนี้คาวามโลภโกรธของมันจะสงบตัวลงไปด้วยมันจะทํางานก็ไม่ไ ม, ไม่รุนแรงเหมือนกับคนที่ไม่มีคาวามสงบวันนี้ไม่มีคาวามสงบนี่จะถูกคาวามโลภโกรธของครอบงำเหมือนกับฝุ่นตลบอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่มีคาวามสงบนี้เหมือนกับฝุ่นที่มัน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 ถึงต้นอาศัยปัญญามาค่อยคอยแกะออกว่าไม่ใช่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราจะมีมีกําลังอนิจจังทุกขังอนัตตามาทันกับเหตุการณ์หรือไม่ทันกับความหลงที่มันกําลังจะเข้าไปหรือไม่เพราะในขณะที่จิตจิตสงบนี้มันก็เหมือนกับว่ามันว่างๆแต่พอไปเห็นรูปปับเนี่ยถ้าถ้าโลกกรดมันมีกําลังมันยังมีกําลังอยู่มันก็จะไปเกาะทันที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 แต่ถ้าคนที่เริ่มเจริญปัญญาแล้วบอกพอจะไปฟังอะไรว่าไปฟังยังไงฟังแล้วเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาฟังแล้วเดี๋ยวก็เบื่อดูอะไรมาเดี๋ยวมันก็เบื่อมันไม่ได้ความสุขความอิ่มความพอกับเรามันเป็นทุกข์ที่มากกว่าความสุขถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาอยะจะไปทําอะไรอยะจะไปเบื่ออะไรไปกินอะไรมันก็จะมันก็จะหยุดชะงักได้ ล่าลกโกหลวงพ้ามันเหมอกับไม่ยินดีไม่ยิน้ายเหมือนกันมันเป็นกลางๆอ่ะจะว่าไม่ยินดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ยินลายก็ไม่ใช่มันเฉยๆมันรู้มันรู้ว่ามันมันแค่นั้นอ่ะมันเหมือนกับของที่เราไม่ไม่ไม่แย่แสแล้วาเงี่ยเมื่อก่อนนี้เราหลงว่านี่เป็นแบงร้อยแต่พอมีคนเข้ามาบอกว่นี่มันเป็นเป็นแบงเกก็ไม่ยินดีไม่ยินลายใช่ รู้สึกอย่างนั้นเมื่อก่อนนี่เราเชื่อเป็นของจริงไงแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นของเกอแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะรู้สึกยังไง <c oughs> <c oughs> เป็รู้สึกแบบนั้นอะ่ะ <c oughs> ปัญญาก็สอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันของเกอเท่านั้นน่ย <c oughs> ไม่ใช่ของจริงการเป็น <c oughs> ของไม่มีค่าอะไม่มีคาำหมายอะไรถ้าพิจมารณาจิตชาสีในกายแล้วเนี่ยพ้เรามองไปข้างนอกเหมือนกั เราก็ที่อะอื่นเป็นท่าสีได้นเหมือนกันก็เหมือนกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาทั้งเขาทั้งเราทั้งข้างนอกทั้งข้างในกายกระดาสติท่านก็บอกให้พิจารณากายนอกพิจารณากายในแล้วพิจารณาทั้งกายนอกทั้งกายในก็คือพิจารณาแล้วมันก็ลงไปที่ท่าสี่เนยในโลกนี้ก็ค่อนถึงว่าโลกกธาตุเนี่ยโลกกธาตุเราอย่โลกกรธาตุกระธาตุดินน้ำลมไฟนี่ที่สิ่นิ้ย่างเนี่สารานี้กระธาตุเองเนี่ย เแต่ซาลาต่างกับเราคือซาราไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมาแต่คนบางคนก็คิดว่ามีอย่างสุเมศมันอยู่ว่ากลัวเหมือนจะมีมีอะไรมามาบาเข้าซาราหลังไี้อยู่มาเข้าพอราลาลังนี้อยู่เขาคิดว่ามีเทวดาอยู่นั่นอุปทานเขาเป็นอุปทานลูกภูมิงม้ามีก็เขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราใช่ไหมเราไปยุ่งกับเขาต่างต่ากภมมาฝังทำแทจงกันวันจุับ แน่นใจกันลูกสังเกตดูว um ่าเออนี่เวลาคนีปฏิบัติไปมากๆขึ้นมีความเมตตาสงสารมันจะมากขึ้นแค่มากขึ้นมากขึ้นทุกปีมันเป็นพื้นเทของจิตที่ปราศจากความโลภโกรธนะถ้าความโลภโกรธมันน้อยลงไปเท่าไหร่ความเมตตากรุณาเมตตาเบญคามันก็จะมากขึ้นไปตามนั้นครับเพราะว่าเรามีความอิ่มแล้วเราก็สงสารคนอื่นใช่ไหม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 โดยธรรมชาติของมันเป็นกอย่างอย่างตาท่านเมตตาโลกขนาดไหนท่านเหนื่อยขนาดไหนอายุขนาดนี้นแล้วก็ยังมีคนมาคอยมาด่ามาว่าท่า <c oughs> นอย่างน้นะแตท่านไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรกันมั้งมันก็แสดงไปใช้ใช้ธาตุขันแสดงไปมันก็อย่างนี้แหละบางคนก็ว่าท่านแสดงด้วยอารมณ์พูดไป มันก็ต้องใช้มันก็ต้องใช้ร่างกายต้องใช้กิริยาอย่างนี้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้มามันก็ต้องตอบไปแบบนั้นแน่าสายอาจจะเป็นนิสัยเดิมของท่านอยู่ยังเป็นเสียงที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่กิเลสมันก็แสดงไปบางคนมีกิริยาโหข้าก็โหข้าไปบางคนนิ่มด้วยเขาก็นิ่มด้วยก็ไปอย่างที่ติดมา เป็นกิริยาแต่ไม่ใช่เป็นตัวกิเลสมันไม่มีกิเลสอยู่ในกิริยานะแต่มันก็เป็นกิริยาที่กิเลสก็อาศัยใช้สําหรับคนที่มีกิเลสเขาก็อาศัยกิริยานี้ใช้เว<ม>ลาเขาเกิดความโกรธขึ้นมาเขาก็แสดงการอย่างนั้นออกมาเหมือนกันคือใช้เครื่องมือเดียวกันแต่คนที่ใช้นั้นต่างกันเขาแบบเป็นธรรมเพราะตรงนี้ลูกคงอีกมีรูกกี่ร้อยชาติ สมมุติว่าสิ่งเนี้ยก็สิ่งที่ติดมาเนี่ยรูกรูกรู้ว่ามันเป็นสมมุติยังเป็นสมมุติอยู่แต่ว่าเมื่อมันมาสําหรับจิตของของภาริยาเนี่เมืมันมามันก็เปิดเกิดมาเป็นอย่างนี้แต่พอมันมากระทบปั๊บเนี่ยมันหล่นตกไปททีใช่ใช่ไหมะมันอย่างเช่นว่าไออาการเหมือนกันอาการความใจเร็วใจนี้มันมันเป็นนิสัยดังเดิมพอมันมากระทบปั๊บมันตกสําหรับจิตภาริยาเพราะไม่แวบเข้า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 แต่ตัวกองนี่อย่างของท่านอาจารย์ลูกคุณคิดว่าเป็นอัตโนมัติเลยปั๊บไปเลยแต่อย่างของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะมีรู้สึกเหมือนมีความคิดขึ้นมาในการที่จะกรองแต่ของของอย่างขงท่านอาจารย์มันตกทันทีอัตโนมัติอัตโนมัติมันก็อยู่ที่การฝึกคฝนกับลมนีที่หลวงตารอกว่าท่านต้นสติปัญญาก็ล้มลุกคลุกคลานไปก่อนแล้วต่อไปมันกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็จะเป็นไปเหมือนกับเป็นธรรมชาติไป เมื่อมาเราฝึกไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับการพิมพ์ดีนการอ่านหนังสือตอนต้นเราก็ไม่ได้อ่านได้อ่านออกเขียนได้ทันทีใช่ไหมเราก็ต้องหัดสะกดไปก่อนหัดสะกดหัดผสมคำไปก่อนแล้วเมื่อเราทำงานแล้วพอเราเห็นตัวอักษรตัมันก็มันก็ไปทันทีมันก็ไปแบบนั้น mm hmm. ยลาเรื่องสติปัญญานี่เราสร้างขึ้นมาได้ mm hmm. แล้วเรา ในระดับหนึ่งเราสามารถที่จะควบคุมจลิตนิจัยเดองของเราก็ได้เพีย แ, แต่ว่าเราบางทีถ้าเราไม่เห็นว่ามันไม่จําเป็นไม่สําคัญเราก็ไม่เราก็ปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติก็ได้แต่บางทีเราก็รู้ว่ากาลเทศะอยู่ที่ไหนควรจะพูดยังไงควรจะทํำยังไง ก, ก, ก็ท่านก็ไม่ได้แสดงาาการแบบนั้นตลอดกับทุกคนที่ไหนคนบางคนท่าก็รู้ว่าควรที่จะ น, นิ่นงนเงีอบท่านาก็นิ่งเงียบได้เหมือนกัน ก็วันนั้นท่านกเทศเรื่องท่านอาจารย์สิงห์ทองเนี่เองใช่ไหมท่านก็ยังสอนนาอาจารย์สิงห์ทองอย่างว่จะไปตลกทุกกรณีก็ไม่ได้ถึงแม้เราชอบตลกเรามองอะไรเราจะมองไปในมุมตลกเสมอแต่คนก็อาจจะไม่ตลกกับเราคุณแจมได้ฟังวันที่พวกกออิมบ๋องหัวต้นจำลึกจริงจรอได้ได้ฟังที่ที่เข้ามาถามที่ที่เข้ามาถามปัญหาขึ้นเก่าจำลึกมาก พอดีได้ยินพอดีใครก็เป็นคนแต่เป็นคนแต่คนหนึ่งครับพี่ค่ะแต่ว่าวิจิรแค่ท่านตอบปัญหาเขาบ้างๆมันเก่งมาตอนนั้นตอนที่ท่านตอบเขาโดยตรงไม่ได้ฟังฟังตานที่เขาผูหญิงคนนั้นมาเล่าให้ฟังไม่แค่แต่อันนี้ต้องิมัมมายี่สิบคนนะคะที่สลายสลามแล้วก็ทีกระถามจะมีภรรยาหลายคนใช่ค่ะแต่ตอนหลังเขาเขาก็พยายามที่จะเอามาอ่านว่าศาสนาของพระละมีอะไรบ้าง แต่ที h h ่อาจมาฟังฟ so He ังตอนที oui ่ผ <Yes, okay, ู้หญิงคนนั้นเขาเล่าให้หลวตาฟังามจริงเขามีเพศเพอเขาเป็นเป็นคนแปลใช่ไหมเขาเป็นคนแปลก็ไว้บ้านอก็ได้ลูกพอดีถ้าเผื่อได้ออกมาเป็นซีนีแวจะส่งขึ้นมาเท่าไหร่ปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมที่เร่อเกียับเ คนในกรณีคนที่มีปัญญาทางโลกเช่นเขาเลี้ยงสื่อเก่งฉลาดอะไรเนียนะก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ก็จะไปเร็วกว่าคนที่ไม่ฐานทางความหรือหรือว่ามันยังไม่ต่างกันคือคนที่มีปัญญาทางทางโลกเนี่ยเขาก็เขารู้จักคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลทางทางธรรมะก็เหมือนกันด้วยเหตุ ด, ด้วยผลใช้ความคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่า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 คนนันคนนั้นเขากั่นแกล้งโดนคนนั้นก็ามาหลอกลวงทําให้เสีย อ, อกเสียใจแต่ก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วไม่โกรธเขาทําไมไม่แก้ล้งเขทําไมไม่จาเป็นถือว่าเป็นกรรมเก่าใช้นี่วเก่าไปมันก็จบไปก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาก็ไม่ต้องไปติดทุกข์ติดทารา่าคนที่มีธรรมะจะคิดอย่างนั้ น, ก, น, นก็นั่นแหละก็มา<ม><ม>ที่เลยก็คือการขาดปัญญา ส่วนการมีปัญญาทางด้านธรรมะก็คือการการรู้ทานกิเลสนี่นี่ไม่แนะ่เสมอไปมันอยู่ที่ว่ากิเลสมากหรือจิตเล็กน้อยเ น, น, นี่ยถ้ากิเลสหงาทาให้จิตมันมันไม่สงบมันก็มันความคิดนั้นก็ยังไม่ได้เป็นปัญญาพอมันนงเกตุอาจารย์ไหนท่าน แนี่ยดิ์ผ่านมาองค์ท่านไม่ได้กินหนังสือเลยทีได้ซ้ำไปใช่อ่านหนังสือไม่ออกเลยไม่ออกไม่ซ้าไปแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ฉลาดเพราะท่านมองท่านคิดด้วยเหตุด้วยผลท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าท่านไม่มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือฉะนั้นถ้าท่านไม่มีโอกาสท่านอาจจะจบปัญญาอีกก็ได้คนบองคนที่เป็นชาวนาชาวไร่แต่ไม่มีโอกาสได้ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้หมาความว่าเขาไม่มีปัญญา แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไ ด, ได้ใช้ปัญญาเขาไ ป, ไปในทางนั้นเพื่อเองคือพูดง่ายๆก็คือคนที่มีปัญญาก็คือคนคิดเป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลเป็นส่วนคนนี้ไม่มีปัญญานี้คิดไม่ค่อยเป็นคนที่คิดไม่ค่อยเป็นนี้จะจะได้สมาธิแต่จะไปทางปัญญานี้จะช้าเพราะว่าไม่สามารถแยกแยะอย่างเช่นธาตุสีดินน้ำมูลไฟต่างๆแบบนีนไ้ได้ แต่ถ้าคนคิดเป็นนี้อาจจะไปเร็วกว่าแต่ที่นี้คนที่จะบรรลุเร็วลุบบรรลุช้านี่ท่านก็แสดงไว้มีอยู่สี่สี่ชนิดด้วยกันพวกที่รู้เร็วแล้วรู้ง่ายเป็นพวกหนึ่งสองรู้เร็วแต่รู้ยากสามรู้ช้าแต่รู้ง่ายแล้วก็รู้ช้าแต่รู้ยาก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 รู้แล้วแต่ปฏิบัติยากก็คือว่ากิเลสมากอหรือปฏิบัติยากต้องทรมานจริงๆต้องแบบนั่งทั้งคืนเดินพอนอาหารเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะได้ทําจิตให้มันลงให้ได้ก่อนเลยนี่สัจจีนี้นั่นคือขั้นสมาธิไงการที่จะทําจิตให้ลงให้ได้นี่คือขั้นสมาธิยากต้องทรมานแต่พอได้สมาธิปั๊มนี่มัมีปัญญาอย่นะ ไปได้เร็วเลยเรารู้เร็วนะพวกขั้นที่พวกที่สามที่สียก็โชคตรงกันข้างติเลดหนาปัญญาทึกสียนมากจะเป็นหระเทนี้เลยคิดไม่เป็นติเลศก็เยอะเวลาจะนั่งสมาธิก็นอนเดินจงกองก็เดินไม่ไหวฟังคำแลคิดตามอย่างนี้เรา อันนี้ก็สายปัญญาของคนอื่นเนี่ยนอกจากรถรถรถที่เรารถเราสตารไม่ได้เราเราสายคนคอยผักให้ต้องให้คนต่อไปแต่ไม่คิดต่ออีกถ้าเราคิดไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเรืยเราก็จะเริ่มคิดไปเรื่อยการฟังทำนี่มีประโยชน์ก็อย่างคิดอย่างหนุ่ตาเวลาท่านแสดงธรรมท่านจะแสดงเหตุแสดงคนมีถล่มยลาถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆต่อไปแล้วก็จะ คิดทิศเป็นแบบที่ท่านคิดมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรไปคือเอาเหตุเอาผลมาไม่เอาอารมณ์ไม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นที่ตั้งยิ่งถึงต้องอยู่ใกล้บัณฑิตแต่ว่าอาสัยวันาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาคืออยู่ใกล้บัณฑิตจะอยู่บัณฑิตที่หนึ่งก็พระอุตจ้าบัณฑิตที่สองก็พระอรหันต์ อันนี้สากะะรกระพ้าแยกบุคคลตามลำดำับล่องลงมาเรื่อะๆบุคคลละนี้เขาสามารถทำให้เราดีขึ้นได้ฉลาดขึ้นได้คนพานก็พวกที่ชอบดื่มเหล้าเมายากินเที่ยวเฮฮาหยกสนานเกียบค้านชอบทำอะไรแบบง่ายๆมักง่ายชอบแบบโกงอะไรขี่โกงอะไรพวกนี้ก็พวกคนพาน อ ย, อย่าไปคบค่าสมาคมพวกนี้ก็จะทําให้เราติดตามติดนิสัยเข้ามาด้วยเพราะมันง่ายคนเราใครๆก็อยากจะได้อะไรมาง่ายๆโกงมันง่ายกว่าที่จะไปหามาด้วยควา ม, วามเหนื่อยยากสอบใช่ไหมสอบสอบเอ็นท้างก็เหมือนกันเนี้ยโกงก็อาข้อสอบมาเอาก็าสอบมาดูไม่ง่ายกับมานั่งท่องตํานานต้องหลายเล่มแล้วไม่ดีอ่ะเราไม่ได้อะไรจากการโกงเราไม่ต้อะเสีย นพยายามเข้าหาบัณฑิติครูเที่ไหนมีครูบาอาจารย์มีคนฉลาดเราเข้าไปแล้วเราเราได้ความรู้ได้ความฉลาดเพิ่มขึ้นเราได้กําไรเลยมากป็นทุกเดือนเนี่ยค่ะเดือนก่าทุกท้องถิเป็นไมแน่เอกจาย่นึงอาจจะเบื่อก็ได้เพราะมาที่ไรก็มีแค่แค่เท่านี้แหละไว้วันปดาข์นี้ท่านจะมีเอกกิจข้างล่างเยอะกว่าครับพวกลูกจะมากราบเป็น วันพิถ้าอาจาสะสะจะสอบไม่จะไม่ค่อยสะดวกเทไรเพราะว่าหนึ่งตอนเช้าคนมาทำบุญใส่บาทยกว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบสิบโมงสิบเอดโมงแล้วก็พอเที่ยงก็ต้องลงปฏิโมกลองให้ที่นี่ตอนลงตอนเที่ยงลงเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเย็นห้าโมงก็จะต้องลงไปเตรียมตัวเย็นเทียง ตอนูกวงเย็นเขาจะมีไาว้พสมเนินแล้วก็เวียททำวิธีเวียนจีวันวันนั้นจริง น, นั่นติดสามบล้ววสิบาทถ้าถ้าหลีกเลี่ยงวันนั้นได้จะดีกว่าวันนั้นเจ้าแทบจะไม่ไ้แล้วไม่นับคนที่จอนมาหาอีกคือถ้าจันในยี่สั่งนี้เดินบิทบาทไม่ไหว ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้รับกองที่ที่ที่บ้านลำเพอแล้วท่นแค่สาหลาแล้วท่านขึ้นฉันถ้าเปิดมาทางจ้างฉันแต่ไม่แน่นะพอถึงวันนั้นอาจจะการดีขึ้นพอที่จะออกได้ก็ไม่แน่ก็พยายามพยายามหวังไว้อย่างนั้นแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจไปลูกถามมาไปลูกถามมาอีีแรกตั้งใจกันอย่างงี้ค่ะว่าวันวันที่สิบสองเนี่ย เช้าขึ้นก็จะไปเหมือนเดิมไปที่วัดบุญเยาว่าแล้วก็บ่ายกลับมาที่นี่หาท่านแล้วก็กลางคืนจะไปอยู่ที่วัดวัดม้าจันทร์แล้วเช้ามืดจะวิ่งมาใส่บาตรท่านจันทังนี่ไม่มีแต่ตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งทชนี้ก็เช้าวันที่สิบสามก็วันที่สิบสามมาใส่บาตรแล้วกันครับเพราะว่าวันที่สิบสองนี่คิดว่าคงจะไม่มีเวลาเพราะนอกจาก จิตที่เล่าให้ฟังนี้แล้วช่วงเวลาว่างก็จะมีคนมาคนน้นก็มาคนนี้ก็มาถึงเพราะเป็นวันเป็นวันเทศกาลคนส่วนใหญ่ที่จะมาวัดกันเขาจะมาวันนั้นกันนี้พวกเราถ้าเราเลี่ยงวันวันธรรมดาได้ก็จะดีกว่าถ้าศิษย์สามวันไหนเวลาไหนก็ได้เช้าใส่บาตแล้วท่านการแสดงคำข้างล่างด้วยเราจะติดตามไปฟังข้างล่างตรงไหนตรงทีศาลาข้างหน้าใกล้กับที่พักนี่ยนเอง ถ้าถ้าใส่บาตรก็ถ้าถ้ามาใส่บาตรที่สาราก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่นเจ็ดมงคึ่งเจ็ดมงคึ่วันนั้นวันอาทิตย์หรือเปล่าวันศุกร์วันเสาร์ให็เพ่อนเสร็วันเสาร์ครับอาารย์สามรวันเสาร์วันเสาร์ที่ส่วนใหญ่กว่าจะใส่บาตรเสร็จก็ประมาณสองโมงถ้ามาสักเก็ดโมงคึ่งก็คือขึ้นมาที่สาราแล้วก็มาถวายอาหารที่บนศาราเลยครัอ๋อก็ยี่สิบกว่าสามสิบรูปโดยประมาณ แต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารก็ทำมาตามอัธยาศัยเพราะอาหารที่เร<ม>พียงเยอะอยู่แล้วก็ที่นี่ก็จะคล้ายๆกับที่บ้านตากเพียงแต่ต่างกันว่าเวลาญาตโยมมาถวายอาหารก็จะถวายที่หัวแถวพวกอาหารแล้วก็จะให้ตักข้าวใส่บาตกันเรามีข้าวข้าวข้าวปา่าแล้วก็ตักใส่บาต ก, ากาแต่ลองค์แต่ละองค์เพราะท่านจะไม่ได้เดินจากอาหารเหมือนที่บ้านตาก ถ้าจะนั่งอยู่รอรับอาหารที่จะได้รับประทศนมาจากกุฏิแถวแล้วก็เลื่อนลงไปแล้วท่านก็จะตักใส่บาตรของท่านเองใส่แต่ว่าบาตรตั้งไว้ข้างนอกก่อนให้โยมใส่ข้าวอ่างน้ไม่ไมไม่นั่งพระนั่งเลื่อนะแล้วบาตรก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนั่งเป็นแถวอย่างนี้โยมก็เอากับข้าวมาถวายจะมีรถรถเลื่อนได้แล้วญาติโยมก็ตักข้าวเดินไปเรื่อยๆองค์บาตร ก็บางทีก็เต็มก็ต้องต้องถ่ายออกต้องถ่ายออกต้องตัด่บ้างแตก้ข้าวไงตัดข้าข้าวนึ่งคนละช้อนคนระช้อแล้วก็เอาอาหามงหาแล้วก็มาถวายที่หัวแถว หลังแท่นก็แสดงท่านเราถอวคิดว่าท่่ที่สามได้ท่านจะเป็นบาตที่นี่บาตรที่นั่สะดวกเไม่ยคนวันนั้นมันกิจกรรมหลายหลอย่างตอนช้าก่าจะเสร็จก็เกือบเกือบสิบโมงสิบโมงคึ่งสิบเอดโมงก็ต้องเตรียมตัวลงปฏิโมขลงปฏิโมเส็จก็ มีเวลาว่างอยู่สักสามสี่โมงก็งาบางทีก็มีคนนั้นมาคนนี้นมาหายแต่ท่านจะอยู่ข้างล่างถึงแม้แขกจะเยอะคือถ้าปกติถ้ากลับขึ้นมาได้ก็พอลงปฏะตูนู้งสร็จก็รถเขาจะพาขึ้นมาส่งก็จะมีเวลามาทักที่ิทั้งหน่อยแต่ก็อาจจะแล้วแต่คนที่จะมาแล้วพอประมาณสักห้าโมงก็ต้องลงไปลงไปเพื่อที่จะเตรียมตัวเยือนเพียนตอนทำวัดไหว้พระส่วดม น, น, นตอนหกโมงเ ย, ยน โดยก่อนจะเวียนเทียนก็จะอ่านเอานอหนังสือธรรมะของสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านแสดงไ ว, ใว้ในวันพิสาขะมามาอ่านให้ญาติโยมฟังแล้วก็มีการกล่าวคำถวายคำบูชาแลญาติโยมทางคณะห้องกระจกเขาก็จะมีการสวดสารพันญะเหนที่จะ การที่จะเวียนเทียนกันเวลาจะเวียนเทียนจริงๆก็ประมาณทุ่มเสร็จเสริมเราจะเริ่มทำตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเย็นจะไหว้พระสดมนต์ธรรวัดเย็นมีการถวายผ้าป่าเสร็จผ้าป่างก็จะอ่านเทศของสมเด็จสังฆราชนักพระท่านก็จะกล่าวคาถวายคําบูชาแล้วยาโยมก็จะสวดสารพันธะเสร็จก็เวียนเทียนก็เส็จประมาณสักทุ่มครึ่งหรือประมาณสองทุ่ การเงินเที่งนั้นก็จะปิดพิธีแต่ที่วัดนี้เขาวันวิสาขะวันมาฆะนี้เขาจะอยู่ตลอดรูปเขาจะไหว้พระสวดมนต์ต่อที่สาลาสวดมนต์สำหรับญาติโยมที่มาพักปฏิบัติที่มาค้างที่วัดกับพระเนน์เขาจะมีการสลับกันสวดสวดมนต์พระสวดเนึงแล้วก็พระเทพพระกันเนึงแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้อย่างนั้นประมาณตีสามก็ทําวัดเช้า พระเสร็จแล้วก็ยยกย้ายกับพระก็รอเวล า, อ, าออกมินทบาทก็ อ, ออกมินทบาทแต่ระยะหลังเนี่ยแต่วาไม่ได้อยู่ตลอดรุ่งของเขาเพราะหลังนั่งเมือไก็อยู่จนช่วงเนอนเที่ยงเสร็จก็จะกลับขึ้นมาถ้าถ้าอยู่ทุกวันก็จะกลับขึ้นมาตอนเชา้าเราก็เดินลงไป ม, มันเป็นกิจกรรมของทางวัดที่เขากำหนดไว้ ก็ต่างครับที่ที่ที่วัดป่าวัดป่าเราจะไม่มีกิจกรรมเรื่องการยิงเขียงแต่ที่นี่ก็มันมันก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็เป็นแบบลามแข่งการบล็อกตลาดคนตลาดคนเป็นมหาวิทยาลัยเกิดไม่เหมือนกับคุณาากระธรรมศาสตร์ที่เขา มีกําหนดกฎเกณฑ์จะต้องเข้าห้องเรียนจะต้องเรียนอยู่ในระดับไหนจะต้องเรียนกี่ปีให้จบเนี่ยแต่ที่รามคาแหงนี่ก็ปล่อยให้เรียนไปตามสบายอยากจะเรียนกี่วิชาก็เรียนได้เข้าห้องเรียนก็ได้ไม่เข้าห้องเรียนก็ได้ที่นี่ก็เป็นในลักษณะอย่างนีน้เพราะไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยควกลุมอยู่แล้วเพราะผมเีงก็สังกัลราเป็นผู้สร้างวัดท่านไม่อยู่เมี่ยท่านไม่อยู่ ท, ยท่านก็ ต้องอาพระรูปอื่นพระรูปอื่นท่านก็มีความรู้สึกไม่ค่อยที่จะทนนที่จะมาอยู่กพราะเหมือนกับว่ามามาเลี้ยงลูกให้เขาไปตีลูกเขาแรงเยูเ่แ้วเขาไปฟ้องพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็หาหว่าโหดร้ายทางนย้ ก็เลยกรูบาอาจารย์ที่นมนต์มาอยู่ก็อย um, ู่ไม่ได้นานกับเปิดปู่เจี๊ยก็เคยมาอยู่กันจ้ะแล้วก็มาทะเลาะกับลูกๆเขาก็เลยท้องพ่อพ่อพ่อก็มาขอเล่าให้ไปกุบาอาจารย์ลงเอยมาอยู่ก็แบบเดียวกันก็เลยหาหาพระองค์อื่นมาอยู่ไม่ได้ก็เลยก็หลังก็เลยไม่ได้หาใครก็เอาอาศัยลูกวัดที่อยู่ที่นี่ แต่มาก็พอดีได้มาสายเขาอยู่ก็เลยก็เลยเติบโตมากับกับวันนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบบคนอาศัยอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ดีไม่มีอำนาจรัศนาในทางในทางบริหารจัดการทัสิ่งเรื่องนั้นเรื่องเขาที้เราไม่รู้เรื่องเลยเขามีคนะข้างขัดขืนแรงขึ้นแต่ไม่ไม่เกิดไม่ไปดูแว็บเธอพูดทังตรงอยู่ที่นี่มันสบายไม่มีคาระต้องกังวล เรื่องการบริหารของพระเราก็ไม่เกี่ยวพระข้างล่างเราก็ปล่อยให้เขาบริหารกันเองใครจะมาบวชใครจะเสร็จก็ปล่อยเขาจัดการเราก็เพียงทาหน้าที่ของท้าป่าเช้าก็ออกบินตบานถ้าไเสร็จก็มีญาติโยมมาก็พูดธรรมะให้เขาฟังวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ได้เราก็กลับมาอยู่ที่นั้นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องของทางวันนี้เราแทบจะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย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 จะไพ่อพอาดเลยอ๋อนี่ใช่ไหมของาวที่แล้วค่ะท่านใจกให้ดูอันนี้เรารวมอ๋อขราวที่ี่แบ่านแยงเดียวเดียวเลยเพราะว่าคนที่มาเองไม่ได้จังเที่ทำมาแค่ห้าผนเท่าน้่าของาวที่แล้วอย่างี้กันะข่าวตงไหนใครยังไม่ได้ขวบขวายท่านคิดข้างหน้าดีผมก็เคนก่อนแล้วกันท่านใจถอนได้แล้วครับ นี่ก็เอะกับยาขี้หลายขนาดเลยจังหวะเปรียกแล้วแล้วมีแผ่นใหม่มไหม เ่อกี้เปียกน้ำแล้เดี๋ยวเอาเอาแผ่นใหม่อกาี้เรงตาใช่มใช่ไหมของดงตาเ็พราะว่าเมอ่ปกี้น้ำเปียกเหมือเหมือมันก็แห้งแล้วจะอะไรไม่ไดลทรายทมมีหลายแนทรายจงตามาเมาหาท่านอาจารย์เออไม่ใช ไม่แช่ไม่ดูใชนี้ก็ได้ทาแล้วเปลี่นอ้เปี่นตาไม่พี่แดงงนต่อเปลี่ยนตอไคว่ามันทะเบออรนี่ดงตาใหพี่แดงนะะนี่ออันีแค่ตามาีะอ่ะอันนี้อ่ะค้้อันนี้ มันเมาในนิตมาฉะกเล่าท anyway> ่านก็เห็นเรื่องนี้ดีแ่เกิดใครอยได้เล่มสามล้อท่านก็ข่าวกันล้อจัพ่ได้สงกันเองลวางใ้ี่ิไปไก ทีนี้เพื่อนชื่อสาวิิรีที่เคยมาพบอาการข้างล่างที่มีความถูกเรื่องลูกยายของทางก็มาเป็นสามคนพ่อแม่ลมต่เทศ่ะเป็นอาจารย์ที่ทํางานฝากมาที่ไหนผมต้องเห็นหน้าเห็นอาจารย์ได้ชื่อไม่ไม่ไม่รู้จักชื่อคนพี่อาจารย์ถามเขาว่าไม่ได้มีลูกคนนั้นคนเดียวมีลูกสาวอีกคน ก็จมีญากิที่เป็นหอนะคะเขาไปปฏิบัติธรรมที่ระยองเขาแค่เียนงาปฏิบัติหน้ที่ไม่เทปฏิบัติมแล้ววันนั้นก็เขาบอกว่าเขาอยากจะมากราบจารขอโอกาสเ่าันไหนแคสะดวกก็จะมาได้กาจะมามวันไหนก็มาแล้วกันก็ติดแคมาก ที u, ่สาวงามนี hmm. ru, u, дети, to i, ่เขาภาวนาได้ด e ีเกินเกินใช่ไหมกระโดดเมื่อไหร่ก็มาเขาแล้วตอนนี้คงจะต้องไปพบที่ท้างลางที่ตาหนักเป็นเด็กก็สกระด้างพรตอนนี้ยังขึ้นมาข้างบนนี้มันลําบากเรื่องเข้าห้องน้ําห้องท่าเรื่ององาบน้ำพอต้องหิ้วงาน ที่นี่มันม่ีน้ำกอ๊อกไม่นีงานใส่กระแป้งไม่ต้องนั่งต้องอะไรยั้ำบากเพาหลังนขยับไม่ได้อยู่ข้างล่างมันสะดวกไม่มน้ำใสแต่อาการดีขึ้นเยอะแล้วก็เห็นว่านั่งนี่ก็ไม่มีอาการอะไรแตคนในที่นัองเขาถาหน้าตา ไม่ใช่ตระเ่าเลเออคึ้นไแค่นสีนี้แกเอาไว้ขึ้นบนนี้หรือารลงข้างล่างถ้าเล่มสองนี่คะเดี๋ยวแบ่งไปไปข้างล่างครับสองห่อแล้วกันครับที่ไหิเราไปว้ที่ปกติไปครับ ถ้าเราต้องการอะไรก็รขึ้นมาเอาได้เพราะมึงให้เขา้าาขึ้นมาได้ขึ้นใจขึ้นไปขึ้ใจขึ้นมาบนนี้เช้าแทนที่จะเดินลงไปให้รถมันรับลงไปท่านอาจารย์ได้ดีกว่า อ, อ๋อ ถ, ถ้ า, าถ้าอยู่บนนี้ถ้าจะอยู่บนนี้ก็เรื่องเดินมม่มีปัญหาอะไร <c oughs> เดิน <c oughs> เดินเป็นประโยช <c oughs> น์การเดินนี่ได้ไประโยชน์ได้ออกกำลังก า, ายได้ ทุกวันนี้ไม่คก็ยได้เดินนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเดินไม่เจ็บหลังไม่เท่าเดินมันไม่เจ็บครบแต่ระยะนี้มันจะเจ็บอยู่เพราะมันมันมันลื่นล้วงแต่ถ้องไม่นานคงจะหายเป็นปกติเพาตอนนี้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ้วไม่แน่อาจจะวันวันยืดสาขาก็หาดีคือเป็นเป็นเส้นหนังเป็นเส้นเอ็นที่มันยึดมันมันแข็งตัว แต่เานั่งมากๆแล้วมันเกิดอาการเมื่อยอย่างความจริงถ้าเราพักเรานอ น, น, อนพักเอ็นหลังสั ก, กระยะสองชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะคลายเส้นมันก็จะอ่อนยกขึ้นมาก็จะไม่มีอาการเจ็บแต่ถ้าลุกขึ้นมาทำอะไรนั่งทําอะไรพักสองสามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยมันก็จะรู้สึกเมื่อย<ม>ต้องต้องสลับการพักแบบนี้ๆที่บางทีบางเวลามันจะเจอภารกิจหลายอย่างซ้อนกันอย่างวันวิสาขะเนี่ยจะเป็นวันลําบาก พอเชา้าก็นั่งแหลตั้งแต่เจ็ดโมงถึงประมาณสิบโมงตอนฉเชา้าเทศให้ญาติโยมเสร็จฉันเสร็จอะไรสก็เกือบสามชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งปั๊มนกสิบชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาก็ต้องนั่งก็ขายวันนั้นท่านจะไ ม, ม่เวลาราได้เองหลังเลยอถ้าเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเข้ามันก็จะรับไม่ไหวทีวันนั้นอาตมาก็เป็นอย่างเนี้ย มันรู้สึกเมันจะมั่วอยลังมากเพราะไม่ได้มีโอกาสได้นอนเห็นหลังก็เลยคิดแก้ด้วยวิธีทํำโยคะเพื่อนั่งเลาะอากาศมันก็เลยไปยืดให้เส้นที่มันแข็งอยู่แล้วมันมันช้าอ่ะมันช้ำพอลุกขึ้นมาเนี่มันก็โอบมันเสียวแป๊บเลยอืแล้วจำอย่างนี้ได้หัวจับเส้นไม่ได้เหรอครับวันนี้ได้แล้วก็เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ให้ท่านเามาจับให้เดี๋ยววันนี้เขาจะมาจับให้อีก ไม่ต้องกังวลเรื่องรักษาไ ม, ไม่มีใครอยากจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปหรอกแต่ว่าแต่ละคนก็มีวิธีรักษาของของเขาไป่เอ้ก็ได้ผลทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นนี่คนบางคนก็ไม่เข้าใจพอก็เห็นแล้วไม่สบายก็คิดว่ามันไม่มีหมอ แล้วเขาจะต้องเอาหมอมารักษาให้เราถ้าเราไม่รักษาหมอเขาเนี่เขาก็รู้สึกว่าเราดือ้อบ้ า, อา น, อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้หรอเรามีหมอเราไม่รู้กีดสิทหมอโรงพยาบาลก็อยู่ตรงนี้อาจารย์บอกท่านอาจารไปแบกผู้เขากว่าดีขึ้นละกายกลย เกี่ยวรถแตประมาณอย่าห้าสิบก็จะเป็นธรรมดาจะเวลาแม่ลงลุกขึ้นนี้ลุกไม่ได้เลยต้องใช้เวลายื้ตัวยืนอยู่สักห้านาทีสิบนาทีถึงจะค่อยๆเดินได้แต่ที่นี่พอนั่งก็ลุกขึ้นมา ก, ก็ยืนได้เดนได้ไดีขึ้นมากตอนต้นก็วิตกเหนกัน ว, ว่าถ้าแบบนี้ไปตลาดชีวิตนี้ mm hmm. เาราคงจะย่เลยบรรยากาศนี้คนที่การนี้ mm hmm. <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอาการมันมันเริ่มฟืนตัวแล้ว แ ต, แต่คนที่ต้องมาช่วยจับเส้นเนพราะเวลาเข้ามากวดโป้เส้นแข็ ง, งกับเป็นหยิ่งเป็นพลึกกเขาอยู่ใน <c oughs> ตอนนั้งกด อันนั้นได้สักสีชั่วโมงมันวิตกกนะัลนั่นมันจใช้ได้อันนี้เก็บไว้ เ, เ, เวลาเพราะว่ามันแข็งๆเวลาสมมติเวลาที่ไม่ได้ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วแต่เวลาท้อต้อ ง, งใช้เพราะตอนนี้อยู่ข้างล่างมันมีแบบใช้เคยซอย่างนั้นดีแต่อันนี้นเป็นค่าถืว่ามันวิกังนะใช้ได้เคยเมื่อก่อนก็มีคนช้ให้แต่เอาตมาลองทานก็มันร้อนตอนร้างเหนื่อแตกเหื่อแต่แล้วมันก็เหม็นเดี๋ยวก็ต้องเอาไปซักอะไรล้างมันเป็นท่าะ คก็เอาแบบธรมรมชาติดีแหละเราพยายามรักษาให้มันตรงโดยสติของเรากัไปกอยังไม่รู้หรอกทำอะไรมันจะมีภาร ะ, ะตามมาคือยังทำตัวยาติดแล้วทิ้งได้เลยครัเพราะตัวยามไม่ได้ทำอะไรหรอกมันเป็นจิตวิทยามาแต่ ก็ ด, ด, ดีขึ้นอย่างนั่นแหละมันรู้สึกดีขึ้ น, น, ออนตอนมีอะไรปะเข้าไปแล้วเรา<น>เราจะรู<น>้สึกว่าสบายใจข <laughs> ึ้นใจเราสบายเนีไง <laughs> พอใจเราสบายก็เหมือนก็มันหายมันมันดีขึ้นปะเมื่อกี่ปีมันก็ยังเหมือนเดิมไม้ปะ <laughs> แต่ก็ไม่ได้ปะพอปะแล้วมันติดเนี่ยมันทําให้เรามีความความความมั่นใจ <laughs> มีอันนึงที่เขาซื้อมาจากสิงคโปร์ฮะจรผมปวดหลังนะฮผมก็ปะชิ้นเดียวฮะแล้วมันก็หายถ้าไม่หายไม่ขายไม่ได้หรอกไม่ไม่เคยเห็นอะอย่างนั้น่าอาจารย์ก็ต้องลองสิครับโอ้ลองลองทุกอย่างไม่ไหวคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าไหนมันหายพ่ออะไรไม่รู้ขอให้หายก็แล้วกันใช้ได้ ข้าวผอมกันไหนท่านอจจะเอาไปไว้ที่กุฏิบ้างไหคะหรือไพวกน้าไว้ทางนีนะวน้น้ตากับชาไว้ไว้่ไจชาไว้ไวุ้วันสำนังานห้าชัเด อันนี้ไปที่บุตริกอันนี้ไปที่บุตริกอันนี้เอาไปว่าที่อะไวรตรงนี้อันนี้เอาไปว้ที่บุตรกอันนี้ว่าที่บุตริกครับก็เป็นยาแต่ทุกวันนี้ไม่อยากจะมาตามแค่ตามปฏิเสธแต่ทําล่ามือของคนใครก็จะพูดอะไรก็พูดไปเราพยายามทําใจเราเป็นขาเราเราเป็นอะไรเราก็รู้ในตัวของเรา ใครจะยกยังไงก็ไม่ไม่ไม่ไม่สนใจไปตามแก้งใครจะทุกข์ลงทุกงยังไงก็ปล่อยก็ทุกข์ก็ทุ่งไเราอยู่ลองราตามตามมรรภาพของเราคัสนักขายก็พูดยอะไรยอมก็ต้องต้องต้อ ง, ง, ง, ง, งเป็นเขานะ่ไม่ใช่เออรืร่องอรแก่แก แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะเรื่องสําคัญเนี้เป็นเรื่องที Mother, no ่ทขาควกทำให้สนใจกันนะคือเรื่องธรรมะมันก็สนใจแต่รู้เพื่ออะไรทำที่ท่านอาจารย์อบรมนี่อาจารยาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ดีกว่าเอาไปปฏิบัติให้มันเห็นผลกับใจเราเหมือดีกว่าอันนี้ที่สุดได้แต่เรื่องการทิพย์ทิพย์อะไรต่างๆเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องของหุปกระทางของแต่ละคนจะคิดไปมากกว่า หลวงตาท่านก็ไม่เคยพูดเรื่องอะไแต่ก็มีคนล่าเลยอยู่เสมอหลวงตาใจเธอได้หรือไไม่ได้แ่ท่านก็ไม่เคยไปปฏิเสธแล้วไปเคยไปอะไรเพราะท่านีืว่าไม่ใช่เป็นทางสาระสำคัญสาะสำคัญอยู่ที่ธรรมะค่ะพระดีท่านอาจารย์นิทนี่ ที่บ้านใหม่บ้านถิ่นกป่ามากราบทันได้ค่ะลูกน่จะมาสษาจะใกล้กันไม่ทราบว่าท่านแกปาือ่อนาลรท่านกราบมากราบรงอ่อนกว่าับปลามากราบท่านไ้ค่ะพอดีพวกลูกจะขึ้นไปภาวนาที่หลานชายตอนกลายดินพุษภาคมวันเลยค่ะตอนนี้ทนไปอยู่ที่นั่นแล้วไปทาวัดใหม่ทว่นั่นไปดู แลกปฏิบัติทางที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นจะพยายามาก่ไมครับพอเรื่องไปแล้วต่อไปจะติดใจจะไปเรื่อยก็แต่กมาที่นี่ไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็มาฟังธรรมได้เหมือนนที่นี่ไม่ไม่ไม่มีที่ให้ญาติโยมปฏิบัติที่นี่เขาไม่ค่อส่งเสริมเรื่องทางภาวนาอะไรอาจะส่งเสริมในทางด้นเรื่องเรื่องเชื่อเรื่องพุทธานุภาพเรื่องอะไรต่าง เวาไมขาดเเป็นงก็เลยเป็นเหตุให้มันาไม่เป็นไรคสอนท่านมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนที่อ่านแล้วอบก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นะได้ค่ะได้มากอย่าวันนี้จะตอบปัญหาได้ตรงใจหมทุกปัญหาที่ติดค้างอยู่ค่ะมีมีลูกศิษย์ท่านยันแบน เอาไอ่านแล้วบอกโอ้พี่อันนี้ผอตีเลยเขาเคยมากราบท่านเมื่อสิบแปดปีที่แล้วค่ะบอกว่ามากับอุูบาอจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขามาเยี่ยมท่านอาจารยสุชาติเขาเขาบอกว่าเป็นสิบแปดปีที่เขาเขายังจําท่านอาจาได้ว่าท่านอจารกราบครูบาอาจารย์ท่านนงามมากแล้วก็ขนาดการเดินหนุนเพิ่มใจมั่นคงมัปิ เขาติดดึงมาเองเขาก็บอกว่าเขาก็าาาติดอยู่เส ม, มอว่าเขาจะได้มีโอกาส ก, กลับมากราบทาอาจารอีกหมพอดีลูกเขาได้หนังสือเล่ม น, นี้ไปเขาบอกเขาดีใจมากพอดีทื า, าได้มีโอกาสไดปถ่ายทำนะี้ลูกก็อ่านเล่มหนึ่งที่ท่านอาจารย์เล่าว่าไปอยู่ที่ที่แถวแล้วเขาา กาตมอคอนโดว่างเขาแต่ปฏิบัติเขาไปลองดูกินข้าวมือเดียวแบบแบบที่อาจารย์หรอเปลาโอ้โหดิ้นเลยี่นาเกลือเนี่ยร้านเือนเกืยู่ซอยข้างๆที่ทํางๆกช ดีนะคุณแม่เขาเขามีมีนรแต่เขาไม่เอ้ดแถวอยู่แต่เขาไม่ได้ใช้เขามีบ้านอยู่อ่างเง้าทำตาเขเลยอยู่คนเดียวงคนคนย่ะค่ะคือมอยู่หลายที่อ่ะในจรเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่สุพรรณีเลยนึงประมาณอายุสิบขวก็ก็กลับมาเลยนะคือที่กรุงเทพแต่คุณพ่อคุหน้ามาตั้งรั้งอยู่ที่พัทยาทำตนาก็ มาเสารอาทิตย์เวลาเรีหยุดเสาร์อาธิตย์ก็มามาบ้านและพอจบจบทั้งม .6 ทั้ชั้นสิบสองก็ไปเรียนต่อที่สาแระก็ไปอยู่ที่สารนึ่งข้าวอีจากสาระกลับมาก็มาอยู่บ้านที่เนีน่ห้องแถวนู้นสองปีกว่าก็ไปบวชก็ไปอยู่บ้านกาลหนึ่งเกือบเก้าปีแต่บ้านกาลก็มาอยู่ที่พัทยาอีกปี ว, วัดวัดโพธิธรรม แล้าก็มาอยู่ที่นี่20ปีคุณลูกจ้าค่อข้างจะเร่ร่ น, นตอนอยู่สุพรรอยู่ที่อำเภอราชบุรีอยู่ห้องเมืองยู่ตลาดคุ้นเคสุมรรณทํามไมนั้นพูดเนอะน ะ, ะแต่าแต่งานเราอยู่ <c oughs> ใกล้นไหมยจะพูดเนอะอยู่ใกล้ใกับบ้างคุณธนหานาติ <c oughs> ยมญาติาาี่น้งเาคุ้นจักธาหานะอยู่ใตลาดใกล้กล้กันาติรามค่้นจกเขาแะแต่ยูพ่อยังแม่ไม่ใช่คุณสุพัค่ะ คุณพ่อคุณย่าเขาเรีสุพรรณในโรงคุณพ่อเขาก็อยู่คุณย่าแต่คุณพ่อเขาก็แบบคป็นอบเปนนจงคุณพ่อนี่เขาเขาเขาบากเพราะว่าคุณคุณปู่คุณปู่เสียหน้าแต่คุณคุณพ่อยังยังยังไม่ไม่โตแล้วคุณย่าต้องขายขายกาแฟอยู่ในตลาดคุณพ่อพ่อต้องช่วยคุณย่าขายกาแฟแล้วไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือไม่ไม่ได้เรียนหนังสือคุณพ่อ อาศัยเวลาคนมากินปลากระกรเอาหนังสือกอไก่ขอไข่มาให้เขา ส, สอนให้ไปเรีย น, นเองอแลว้วพอยุแกเริ่มทักจเริ่มเรื่องเรื่อง เ, เ, เป็นหนุ่มสิบห้าสิบปกก็ไปทะเลจอดไปลงเรือได้หาไปเรียนไปไปไ ป, ไปศึกษาชีวิตตามแบบคนทะเลจอดก็ไปเรียนหลายอย่างไปเคยไปเป็นกู้ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างมีทำอะไรตวนในที่สุดก็ได้มารับงานเหมาก่อสร้างที่พทัทย มีคนเขาสร้างบ้านเขาต้องการตก บ, บ้านพักามอากาศตอนนั้นก็อาจาอตมาก็มามาประมาณยุ1สิบตัวช่วงนั้นเขาก็เอาอาจารยอาตาในฝันมีป ท, ที่จะเกียงไปที่ที่ส่พรมเลยอยู่ตั้งแต่ยุ่สิบสองขวดถึงประมาณพักสิบพอสิบขวดคุณพ่อเขาก็อยากจะให้มันเลี้ยงสืบเพื่อเพือไปเอามาก็ไปเลี้ยงสืเพื่อที่ก็ฝังคนอยู่บ้านคนนี้บ้างอยู่บ้านคนนี้บ้าง ป่าวอยู่ลงเรียนกินนอนทึ่ไปโรงเรียนกินนอนเกียงอยู่ทัวสี่ยาแต่เราไม่ได้เรียนที่นั่นพอดีโรงเรียนกินนอนเขาลึกจับกับข้างหน้าขงหน้าก็ไปฝากขอไปอยู่กินนอนเขาโรงเรียนคุกความเครื่องอยู่ในทรายกับต้นหยกเนี่ยในที่รี่พญาถ้าสี่ที่นั่นแต่ตอนเช้าก็นั่งรถมาเรียนที่ทำไมเรียนที่ราชวิทย ทันสมัยนะคะสมัยนั้นเกี้นี้เราก็ไม่เคยอยู่กับบ้านกับเท่อมาได้แต่เด็กไม่เคยอยู่กับพ่อกับแม่มาไดแต่เด็กน้องกลัวก็ไปอยู่ป่าโตขึ้นมาก็ไปอยู่กับโรงเียนกินนอนได้าปกลับอยู่กับบ้านคนนั้นคนนี้บ้างพอจบก็ไปเรียนที่สหรก็ไปอยู่คนเดียวเหมือนกันถ้าชีวิตไม่เคยได้อยู่ใกล้ที่กัคุณพ่อคุณแม่ ก็<ม> เ, เลยไม่เคยมีความรู้สึกว่ามีพ่อมีแม่ไม่ได้ไม่มีใครมาคอยคอยโอบเราคอยเอาอกเอาใจาคอยเราเราต้องทำในทุกอย่างตามตามคำยังของเราอยากจะได้เราก็ต้องหาเองทมหยิบประยาณนี่หาเงินเองเหียตอนอย่างนี้ก า, าเงเช<ม>้ตาตื่นตื่นตีห้าไปขายปลาท่องโก<ม>้<ม>ก่อนไปรับปลาท่องโกมาขายเอาเงินเป็นค่าขนมไปลงเยนตอนเช้าที่กล<ม>้าไปขายขนมจีบ รับขนมจีบไปเรื่องขายตามตลาดตามอะไรยี้ยขายลอตเตอรี่ขายใบตัวลอตเตอรี่อืมอีกเอร์นะอ่าเขายทุกอย่างท้องยาเขาก็เป็นคนที่ยากจนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะประหยัดจะทาลาบากลาบนแค่ก็อยากจะเก็บเงินเก็บทองแล้วเรื่องจะขอเงินไปกินไปตรงไปตือนี้ไม่มีปยนกินกินกินข้าวต้งกับจับไขดีกว่าดัจริง แต่ที่ได้ก็แกอย่างก็คือเวลากินเจเขาจะพาไปกินเจด้วยกินเจช่วงฤาษีเขาจะกินเจไปดูนิ้วเจ็บร้อนก็คือมีลมเจแล้วพอพอพอโตมาอยู่กรุงเทพก็มาเรียนกที่นี้ก็มาปิดมาเรียนโรงเรียนพิษโรงเรียนนี้ก็เราบังคับให้เข้าโบสทุกวันเสาร์เป็นเปข้อคุ้มครองกันถ้าจะเรียนโรงเนนี้ต้องต้องไปเข้าโบสทุกวันเสาร์ ก็ไปเรียนเรื่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาคลุกมาเกิดแต่คือเกิดจะเป็นคลิปถึงกันแต่ตอนหลังก็คือตอนแรกเขาเขาถามว่าใครอยากจะถวับใจมามารับพระเยซูเป็นเป็นผู้ทายบาปจะถือว่าเราเราจะเป็นคลิปเนี่ยมันะก็ถ้าเราเราสนใจเข้าก็เลยพาไปรวมสั่งสอนเรื่องวิถีชีวิตของชาวคลุกได้แล้พอถึงเวลาที่เราจะต้องไปเ้ายากอะไรอาบ น, าน้ทาําระบาป เราก็ถามว่าพร้อมหีือยัางาก็บอกว่าไม่ค่อยพร้อม <laughs> <c oughs> ก็ว่าถามว่าทำไมเขาหอกมันลึกๆมันฟังแล้วมันไม่อยมันไม่ค่อยัมผาเรื่องว่าพระเยซูจะมาถ่ายบาปให้เราได้เพรบาปของเราเราก็พระเยซูเขาจะมาดูได้ไงว่าเราทำยังไงนะ <c oughs> ว่าเขาจะมาถ่ายอะไให้ัเราได้ <c oughs> ตอนนั้นอ า, ายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็อายุสี่ห้าสิบหกแล้วนะสนสะิก็เลยไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ก็แต่ล้ได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพิษมาพอสมควรรู้ว่าศาสนาพิษก็สอนยังไงส่วนดีก็รู้อยู่เขาสอนสีนสอนสรรมไให้สอนทานสอนให้ทำดีให้ทานให้นความเมตตาตอบเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ให้รักษาสีอย่างนี้ แต่เพราะว่าคนเราจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้ต้องเชื่อในพระเยซูว่าเป็นเป็นลูกของพระพระเจ้าทรงมานถ่ายบาปให้กับทุกอยาถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะกลับไปอยู่กับพระเจ้าในในครั้งในในสมัยที่พระพระเยซูจะกลับลงมาจากสวรรค์ที่พระเยซูก็คำนัยว่าจะกลับลงมารับพวกที่เป็นชาวคพิษกลับไปสวรรค์ตอที่ตอนนี้เราตายเราตายเพียงตา ย, ตายชั่วขา่าวถ้าเป็นชาวคพิษนะเขาตายเขาสังไวยนะ แล้วสักวั น, นพระเยซูจะมาเปิดเปิดป่าช้าจะปูุกให้คนที่นอนในฝ่าช้านี้ลุกขึ้นมา <c oughs> แล้วก็กลับขึ้นไปสวรรค์ชายหญิงกับพระเจ้า <c oughs> ตลอดนั้นานจะการ <c oughs> นี่คือคือเป้าหมายของศาสนาคริสต์ <c oughs> แต่ก่อนที่พระเยซูจะมาได้นี่เป็นหน้าที่ของชาวคริสต์ทุกคนจะต้องนํานํานําข่าวนี้ไปให้กับคนทั้งหลายในโลกนี้ให้รู้ก่อนให้เขามีโอกาสได้กลับขึ้นมาเขาจะเชื่อพระเยซูไหม ถ้าไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขารู้แล้วก็ไม่เชื่อต่อไปเวลาเขาเยซูมาแล้วปลูกให้พวกคนที่ตายไปแล้วเดินขึ้นมานี่เขาจะเอาจากคนที่เชื่อพขาเยซูลกลับไปสวรรค์นคนที่ไม่เชื่อเขาจะถูกไฟเผาตายหมดกงม า, กากงเท้าว่างนี่คือเข้ามาเขาจากศาสนาพุทธอย่างับนถ้าถึงมีชาวพิทที่ไปม า, มาเผยแผ่ธรรมะให้พวกชาวเขาชา ว, า ว, า ว, าวป่าเรื่อนี้น พราะเขาตั้งใจให้ทุกคนได้ได้ทราบข่าวนี่ว่าพระเยซูได้ลงมาเกิดมาถ่ายบาบให้พวกเราแล้วพวกเรามีสิทธิ์ที่จะจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อก็เวลาพระเยซูมาทราวหน้าก็จะรับเรากลับไปสู่สวรรค์อืถ้าไม่เชื่อก็จะถูกไฟเผาตายหมดพอฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่มีถึงไม่มีคน แต่เราเชื่อในหลักการทำดีได้ดีใช่เขาบอสอนไม่ให้ท่าศักดิ์ศรีไม่ให้รักครับย์ม่ให้ประพฤติตัวเอ ง, งนี้เคือในนี้เขาว่าเขาก็สอนให้ทรเขาว่าสอนให้มีความเมตตาให้ช่วยเหือคนที่ตบเทือกได้ยากที่เราก็เราก็เชื่อในส่วนนั้น <c oughs> แล้วแต่ลนั้นมาเราก็ไม่ค่อยสนใจศาสนาไปอย อ, อเมริกาห้ปีหนก็เลยหัวไปทางค่อนข้างที่จะไปทางแบบทางสมัยหน่อยไปทางแบบทางวิทยาศาสตร์ แค่เราไม่เคยไปเข้าบสถเข้าวัดเข้าวาไม่เคยไปอะไรสับครแ ต, แต่แต่ใจพื้นเทเดียวมันดึนใจชอบความสงบอยู่มันไม่ชอบสังคมไม่ชอ บ, บขับเรื่องของเสียงเท่าไหร่มันก็มีไอ้ตัวนี้คอยดึงเรานะเยียวตลอดเวลามไม่ได้ไปรุ่มโง่กับการการหาความสุขจากตัวนี้ที่นะครับ พอจบมามันแล้ไม่เคยคิดจะกระตือเรือ้อนที่อยากจะไปมีครอบครัวอยากจะไปหางานทํำ<ม>หาเงยนหาทองมันกลับหาหาวิธีว่าจะทําะไรอยู่แบบสบายสบายไม่ต้องคลุกไม่ต้องวุ่นวายกับอะไรอะไรได้อ่านหนัือธรรมะไปบ้างอนะะไรบอว่านี่ทางนี้ถูกถูกถูกถกับเรา <laughs>